จลนานพรนท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีลภาวนาท่านที่สนใจก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนากันได้วันนี้เราก็เริ่มต้นที่เด็กๆ ก, ก่อนอันนี้นะัคกคนกลับมาถึงเมืองไทยนด้ยัง กับนามาสการ์ไปงานอะครไปงานอะไรอยู่ที่ไหนอาจารย์จะําไปที่ไหนอยู่ที่ไทยค่ะอยู่ที่ไหนกรุงเทพแล้วใช่ค่ะกรุงเทพดีใจไหมชอบไหมทีนี้ได้พูดภาษาไทยแล้วนะใช่ปะแล้วไม่คิดถึงเพื่อนที่ญี่ปุ่นว่า <c oughs> คิดถึงไหมคะ ยิดถึงเลยหนูอยากโทรโทรหาปอปอค่ะหนูจะบอกพ่อจานไหมมีไหมคะมีไหมไปกลับหลวงปู่วนมาไม่ใช่เหรอหลวงปู่วนมาไ่ไหนมาถึงไทย ขอให้พาไปกราบหลวงปู่เวรที่กาลสินค่ะเพิ่งกลับกันมาเมื่อคืนนี้ค่ะพระอาจารย์อ๋อเดินทางไกลนะค่ะไปกาลสินมาสอบสามวันค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อคืนตีสามค่ะค่ะนามัสการค่ะพระอาจารย์ดีใจให้กลับมาจะได้ไปกราบพระอาจารย์บ่อยๆค่ะอ่าสาธุจ้าสาธุค่ะสาธุค่ะ ไปไหน ด, ดีนะครับอย่าดื้อ น, นะอย่าซนนะนี่พระอาจารย์บอกว่าอย่าดื้อย่าซนนะวันนี้ดื้อเยอะเลยค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวคืนนี้จะบอกพระอาจารย์นะเขาบอกว่าให้บอกพระอาจารย์ว่าซนนิดเดียวน ะ, ะผมมูสาได้ยังไงโอเคค่ะพระอาจารย์กราบค่ะจค่ะอ่ า, าอไปบบที่จะแม่จัดเจที่ วันนี้คุเป็นยังไงมั่งเยี่ยมครับกราบดามัสการพระอาจารย์ครับอ่าเป็นยังไงมีอะไรไหมก็ตอนนี้มาส่งกันบ้านครับอ่ามามาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ลยไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรัดผ้าจากของของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสิไป เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทอกวันเธอร่างกายมีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยี่ในกระดูกม้ามหัวใจตับทางพืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่ในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำเข่ครอบน้ำมูดน้ำมูดน้ำเข่ครอบน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำดีเยื่ในสมองศีรษะอาหารเก่า อาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตหัวผื่ตับหัวใจมา้าเยื้อกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บขนร่างกายเราไม่สวยงามเลยนะไม่สวยงามครับสกปรกมากคนไม่มีตัวเรามีร่างกายนี้ใช่ไหมไม่มีครับ เ, เราไม่ได้เป็นร่างกายใช่ไหม ใช่ครับ้าเป็นใฟรทเป็นจิตครับทำไปแค่จิตเป็นปลายไปกับร่างกายใช่ไหมครับจิตไม่ต้องกลัวนะครับ<ทอ tie>มีอะไรอีกไหมไม่มีครับ้<ทอ tie>าไม่มีการาทนิี้กันนะครับกล้าปรับเราคุณพระอาจารย์ครั บ, บ, รรรบไปที่ตะวัน วันนี้ตะวันมาคนเดียวนะครับอืมเอ่อแม่กําลังอาบน้ําอยู่ครับอ๋ออย่าอย่ารอแม่มาก่อนไหมรอแม่ก่อนนะ<ช>ดีไหม<ช>อ๋อเดี๋ไปที่คุณหมอพิเชิดก่อนนะไปคุณหมอพิเชิดกราบน้ำระสะการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเป็นทุก นั่นเป็นทุกข์เหรอทุกสิ่งในโลกนี้ เ, นเพราะว่าทุกสิ่งในโลกนี้มันไม่มันมันไม่ถาวรมันมีเกิดมีดับมันไม่คงเส้นคงวามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับนี่ที่มันเป็นทุกข์เพราะว่าเราอยากจะให้มันยั่งยืนถาวรไม่เปลี่ยนแปลง ดีก็อยากให้มันดีไปตลอดไม่อยากให้มันไม่ดีพ อ, อมันเปลี่ยนไปมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็เลยทําให้เราทุกข์มันไม่อยู่ภายใต้การควบคุมใควยมันเป็นอนัตตามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศไม่มีตัวตนไม่มีใครไปควบคุมบังคับเขาเรามีเหตุมีปัจจัยทํำให้เขา แปรปรนไปบางทีฝนก็ตกบางทีฟ้กก า, าก็ร้องเอือนในทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหมือนกับภาะปรากฏการณ์ทงธรรมชาติเช่นเดินฟ้าอากาศถ้าเราไม่อยากจะทุกกับสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของเขาเออฝนตกก็ต้องปล่อยให้มันตกไปยอมรับว่าตกก็ตกอย่าไปอยากให้ไม่ตกเอาไม่อยากให้มันตกใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมา คนจะตายอย่าไปอยากให้เขาไม่ตายพอไปอยากให้เขาไม่ตายก็ทุกข์ขึ้นมาเอราันอย่าไปอยากกับอะไรทั้งหมดในโลกนี้ให้เรามีสติคอยกํากับใจให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้แดดออกตอนนี้ฝนตกตอนนี้ฟ้าร้องตอนนี้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย อันนี้ร่างกายพิกลพิการไม่เป็นอะไรก็ตามเราไม่เปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราไม่สั่งเขาไม่ได้บางอย่างว่าพอทําได้ก็ทําไปบางครั้งร่างกายเจ็บไายได้ป่วยก็หาหมอยาหายารักษาได้ก็รักษาไปแต่ถ้ามันรักษาไม่ได้มันก็ต้องทําใจเฉยๆไปถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ไม่เป็นมันก็จะทําให้ใจทุกข์ขึ้นมา การปฏิบัติของพวกเราก็เพื่อให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นอย่างนี้เอาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราไปเสมอบางอย่างก็อาจจะคุ ม, คมได้บางเวลาแต่ไม่ใช่ตลอดเวลาเพรรู้ว่าเราคุมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องทําใจเฉยๆปล่อยวางมันจะเป็นอะไรก็ให้ปล่อยมันเป็นไป แใจเราก็จะไม่ถุกกาที่จะปล่อยวางนั้นเราก็ต้องฝึกสมาธิให้ใจนิ่งสงบมีโอเบคาการจะมีโอเบคามีสมาธิก็ต้องมีสติต้องมันฝึกสติอยู่เป็นตลอดเวลาคอควบคุมใจใจเราตอน น, นี้มันถูกก่เลสดึงไปให้ไปรักไปชงังไปกลัวไปหลงอะไรต่างๆ มันก็เลยทําให้ใจทุกเวลาไปเจอสิ่ง ต, ต่างๆเราไปรักพอไปรักก็ไม่ได้ก็เสียใจเอรักแล้วเสื่อรักรักเราได้สิ่งที่รักสูญเสียสิ่งที่รักไปก็ทุกข์เองต้องมาเปลี่ยนใจมาอย่าให้รักช้ำกลัวหลงให้สักแต่ว่ารู้ให้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ช้ำไม่กลัวไม่หลงถ้าทําได้ใจก็จะพ้นทุกข์ได้ ง่ายๆก็มีท่านเนี่ยพูดง่ายแต่ทํายากอ่ะสติเนี่ยเป็นตัวที่ยากให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธไปเนี่ยมันไม่ยอมอยู่อเลยมันอยู่กับร่างกายมันก็ไม่ยอมอยู่มันชอบคิดเรื่อยไปคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ถ้าว่าความคิดเหมือนกับลิงที่มันห้อยโหนตามตีกิ่งไม้มันจากกิ่งนี้มันก็ไปกิ่งนู้นจากกิ่งนู้นมันก็ไปต่อมันห้อยไปเรื่อยๆ ความคิดเราก็อย่างนี้ถ้าไม่มีสติคอยสกัดกั้นมันมันไปจะคิดไปเรื่อยคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็คิดถึงเรื่องน้นต่อนั่งน้นแล้วกลับมาหาด้านต่อวนไปเวียนมาทั้งวันทั้งคืนอวลาหลัก็ยังฝันเองไม่ความคิดก็ความฝันก็คือความคิดเองแนาจะไม่หยุดคิดเลย ต, เต่องมาฝึกสติมาหยุดคิดมากวบ ความคิดนี้เราควบคุมได้ด้วยสติ่งให้มันหยุดได้่งให้มันคิดไปในทางที่ดีได้อันนี้มันคิดไปในทางที่ไม่ดีคิดไปในทางที่ทำให้เราทุกเราต้องมาฝสติเพื่อมากํากับใจกควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ดีเนื้อไม่ให้คิดให้คิดปล่อยวางไม่คิดวางเฉยให้คิดไม่ยึดติดกับอะไร นีนะ่คือคือแก่นของศาสนามีแค่นี้แหละแต่ชาวพุดธเราบางทีเข้าไม่เห็นกันไปติดอยู่ครับพิธีกรรมต่างๆติดกีกรรมการสร้างตามวัดถ ง, งต่างๆแล้วก็ไปหลงคิดว่าสร้างสิ่งเหล่านี้นะสามารถที่จะที่ฐานขอให้ได้ตามปรารถนา เราถ้าเป็นพูดแท้เราต้องภาวนาเราต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาเข้าใจนะครับเข้าใจมากขึ้นครับอาจารย์คนอย่างสูงครับกลับมาแนละ้ที่พุ่นแม่พร้อมแล้วนะตะวันเรินักาปร มีอะไรไหมครับวันนี้ไม่มีคำถามค่ะเอีคุณแม่มีอะไรไหมไม่มีเจค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็รักษาใจพยายามรักษาใจให้เป็นปกติเจ้าค่ะปฏบัติไปเรื่อยๆ ต, ต, ตัวแสบตัวแสบตอนนี้ตัวแสบอยู่อยู่ปริวาอยู่เจค่ะพระอาจารย์ยัง <S <S <ๆ>ยังรักษาสิ่งด้ปกติอยู่เจค่ะพระอาจารย์ยังยังไม่ถูกจับสืบเจ้ค่ะตอนนี้เห็นความพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจครับระอาจารย์โอเคค่ะ <Okay. S 2> ใค้อยู่ปริว่าไก่ อ, อนที่อยู่ปริว่าไปก่ อ, อนตัวใครต่อมานะเขาเป็นงไรนะเราล้า<ำ>ก็ต้องไม่ไปไวุ่นวายไปกับเขาแนะในสกายพารา น, รานก็ต่างคนต่างทำสิ่งที่คิดว่าจะส่งผลให้เวลาตายก็คือเราจะไปไหนเราเรือกเอาเท่านั้นนะคะอาจารย์แล้วแต่แตการกระทำของเราใับไหมเราจะมก็อย่าไปทุกข์กับอะไรนะ ใจเราต้องไม่ทุกข์ใจเราต้องปล่อยวางรับกับความเป็นจริงเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปอยากเปลี่ยนให้เขาเป็นอย่างโน้นอย่างนั้นเลยก็ <c oughs> ก็คุยกันนะคะพระอาจารย์ว่าเอ๊ยโยมบกพร่องอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ้องนะ้าอาจารย์ก็อืมมันน่าจะเป็นความ ก็ไม่รู้อะค่ะพระจา่าเขาก็บอกไม่มีอะไรนะคะพระจ่าน่าจะเป็นเกี่ยวกันความโลภมันเป็นความมันเชอบของใหม่ๆแปลกๆกินเลยนะครับของเก่ามันเบื่อเก่าๆมันเป็นสนิมใหม่ๆหน้าตาจมจิ๋มก็ใช่นะคะพระจย์อย่างความโลภมันก็อย่างสิลข้อสองมันก็ที่ว่าถ้าละเอียดขึ้นมาก็คือว่าถึงเราไม่ไปขโมยของเนี่ย แต่ว่าก็ไม่ไม่ไปเพ่งเล็งอยากได้ของของเขา <st it> ใช่ไหมคะที่ไม่ใช่ใชของเราแบบนี้ที่เราไม่ได้แบบมีสิทธิ์อ่าในทางกฎหมายแล้วก็มีสิทธิ์ในแบบแบบนี้ค่ะอาจารย์ที่สิ่งข้อสามก็เหมือนกันถ้าไม่ใช่ของเราก็คือว่าไม่ไปไม่ไปเพ่งเลงไม่ไปอยากได้ถรือไม่ไปอะไรแบบนี้ครับอาจารย์อยู่ว่ามันก็เหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ข้อสองข้อสิ่งข้อสามตามนั้นที่วัตถูกสช่ข้อสองก็เป็นสิ่งของต่ตางๆกระเป๋ารองเท้ารถยนต์คอนโดเนี่ย มันก็อยากได้กันอยู่ด้วยมีแล้วก็ไม่พอมีแล้วก็อยากเปลี่ยนใหม่อยากได้ของใหม่อยากได้รถรุ่นใหม่อยากได้มือถือรุ่นใหม่กีเลสมันเป็นอย่างนี้ได้เท่าไหร่ไม่รู้จักเหน็นเมื่จักพอมันเบื่อของเก่าของเก่ากพอมันเนล่นไปสักพักมันจาเจครับนะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกคูงแปลกตาแนละ้วมันก็อยากจะกลังของใหม่ของใหม่มันยังไม่ ยังไม่ยังไม่ได้สัมผัสกับทุกสัตว์ทุกส่วนใช่แต่ว่าตอนถ้าเป็นช่วงโสดแบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็เออก็ถื อ, อยังโอเคไหมคะพระอาจารย์เพราะว่ามันถือว่าเร า, ายังไม่ไโสดไม่โสดต้องตัดความอยากทั้งหมดอา้าถ้าอยากจะได้เนะ้วให้มันใช่เหตุผลว่าจาจาเป็นไหมถ้ามไม่มีไม่ทําไม่ได้มันเราจะตายไห ม, ม, มถ้าถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จาเป็น เป็นเสื้อผ้าตอนนี้มีพอรหรือยังใช้อยู่ต้องการต้องมีความจําเป็นต้องซื้อชุดใหม่มาใส่หรือเปล่าเอถ้าไม่มีเหตุไม่ผลก็แสดงว่าเป็นความโลภแต่ถ้ามีไม่พอใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่มันขาดเนื้อหายไปอย่างก็ซื้อมาเติมได้อต้องมีเหตุมีผลแต่จะไม่เหมือนความโลอ๋อค่ะอาจารย์ขอขอภัยครับเมื่อกี้โยมโยมพูดแช่อานะจารย์ นั่นแหะก็ต้องมีเหตุมีผล ม, มีความจําเป็นถึงจะไม่เป็นกิเลสแต่ถ้าอยู่ดีมันเหือเฟออยู่แล้วพอแล้ยังอยากได้อีกเนี่ยก็เป็นความโลภ ก, กิเลสอย่างนี้ก็คือว่าสมมติว่าเราโสดอยู่แต่ว่าเราไม่เคยฝึกเรื่องเรื่องหยุดความอยากเลยอย่างเช่นว่าอ่ามีเสื้อผ้าปุ๊บซื้ออยู่นั่นแหละพอไป mm hmm. มีครอบครัวแล้วอ่ะจะไปหวังว่าพอมีครอบครัวแล้วจะเก็บเงินเพราะครอบครัวบางทีมันก็มันก็นกยังแพ้กิเลสอยู่เพราะมันไม่เคยฝึกมาเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์ได้ก็ยังใช้เงินทุ่มเฟือยอยู่ ก็ไม่พอมาเล่นดูครอบครัวก็พอเงินไม่พอใช้ในครอบครัวก็มีปัญหาทางครอบครัวกันเ<ม>นี่ยเดือนน้นองค่ะอ๋อแล้วพอรู้ว่าถ้าถ้าถ้ารู้ว่าถ้าสมมติพอพอมีครอบครัวแล้วออีกฝ่ายหนึ่งไม่ไ ม, ไม่ไม่พอใจอ่าไม่ชอบก็เลยต้องใช้สิ่งข้อสี่ก็เลยผิดสิ่งข้อสี่เข้าไปอีกใช่ไหมคะพระอาจารย์เป็นเป็นตัวเสริมเข้าไปอีกแบบเนี้นใช่ก็ถึงก็หลอวงกันเลยออืหลวมนกหกกัน<อ> เวลาคบกันใหม่ๆก็เอาเอาพรจักษ์ฉากทำตัวเป็นตัวคนดีเอพอได้อยู่ร่วมกันแล้วตัวตัวตัวแท้ตัวจริงก็ออกมาเล่นแล้วเนี่ยตัวฟุ้งเฟ้ตัวขี้เกียจตัวต่างๆนีมันก็ีตัวเฮนแก่ตัวมันก็ออกมาละอย่างตอนที่คบกันใหม่ๆตอนที่จีบกันมันเอาแต่มันเล่นบทดีเล่นบทเสียสละเล่นบทสุภาพบุรุษ เออมันก็มันก็ถูกมันก็เหล่ากันตั้งแต่เริ่มต้นนะืะโบนาโมนาเขาถึงบอกว่าต้องต้องมั่นกันอยู่ให้อย่าเพิ่งไปไหนง่านกันอาจารย์โยมก็ทดสอบหลายอย่างนะคะอาจารย์แต่บางครั้งเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเอ่อมันทดสอบไม่ได้อ่ะมันจะต้องมันต้องรู้เขาเองว่าตอนเขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงแบบนี้ค่ะอาจารย์โยมก็ทดสอบหลายเรื่องนะสิ่งห้าข้อเนี่ยมันทดสอบได้แต่บางเรื่องบางข้อมันทดสอบแบบ ยากพระอาจารน์้อก้าเกีตอนแรกอยากแล้วหลังๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบพระอาารถ้าท่านถามว่าได้ก็เต็มตัวเต็มใจไว้ว่าอาจจะเกิดก็ได้อาจจะไม่เกิดก็ได้ห้าสิบห้าสิบอย่าเชื่อร้อยเปอเซ็นอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่พระอาจารย์แต่ตอนที่จีบกันใหม่ๆแล้วก็เรากพยายามไม่มองในส่วนที่ทำให้เราไม่อยากได้เขาเย อาจารแต่สินค้าหนูบอกเขานะย้งบอกเขานะเขาบอกว่าต้องมีอ่ะแต่แบบก็พยายามทดสอบแล้วว่าแต่แบบมันก็ลาดไม่ไรมันใช้เวลาทางโบราณศาศิษย์บอกว่ารยะทางเปนเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนภาษัแต่สิบสี่ปีเลยนะคะอาจารย์สิบสี่เลพิสูจน์แล้วองแล้วเห็นเ้าตะวันขำ ต็พระอาจารย์ก็ไม่ได้เราต้องเมตตาเนอะอยู่ด้วยกันนะเราเมตตาต้องให้อภัยพอดีเขาเสียโยมก็มีข้อเสียเจ้า่ะพระอาจารย์ก็ข้อดีข้อเสียต้องคิดว่าสี่สี่เท้ายังรู้พลาดนักป่าทางยังรู้พลาพวกเรามันคิดคนกิเลสสามันธรรมดามัอนธรอาจาย์ไม่เิดพลาดบ้างต้องให้อภัยกันเออ่า ก็เรื่อโมราณจริงสภาสิษย์จริงเขาบอกว่าถ้าคุณผิดครั้งแรกนี่มันเป็นเอ่เป็นความความโง่อของคนได้ไปทำความผิดแต่ถ้าถ้าคุณผิดซ้ำซๆอมนี่เป็นความโง่อของเราที่ปล่อยให้เขาผิดใช่ค่ะพระอาจารย์ถูกต้องค่ะพระอาจารย์ อ, อันนี้คิดว่าเขาน่าจะอยู่แก่ใจเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตอนนี้ก็ปรับปรุงตัวค่ะกนดูไประยะทางเป็นเครื่องพิสูน มาเวลาไปเชื่อมไม่สุดก่อนไม่ไม่ต้องไปหานักบำบัดจิตติมทย์ยาอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์เนี่ยเข้าห้องเข้าห้องพระอาจารย์อันนี้ยคือมันได้ขบเลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันมันเป็นทางที่ที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดอช่พุทธศาัสนาลูกปัญหามันอยู่ที่กิเลสทั้งนั้นไม่ถึี่ไหนใช่ค่ะพระอาจารย์โยมาเคยไปนะคะพระอาจารย์นานแล้วก็ตอนสมัยสมัยเออเออสามีเก่าของโยนะคะพระอาจารย์ก็ไปหาเอ่ออะไรนะนักจิตติมทย์ยาเรื่องครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ไปกับแฟนเก่าโยม แต่คนที่เขาเป็นนักบำบัดเนี่ยจิตวิทยาทำไมเขายังควบคุมตัวเองไม่ได้เลยโยมก็เลยพอ<ม>เลยค่ะบายบายขยมก็ไม่ไปต่ อ, ะะอแล้วก็เพิ่งเงือแล้วก็เพิ่งท้อตอน น, นั้นโยมยังไม่ได้รู้จักความาอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยพึ่ ง, พ, งพึ่งคนทั่วไปถูปกเขาก็ยังมีกิเลสอย่างเงี้ยพระอาจารย์เอ๊แต่พึ่งทำไมตัวเขายังมีกิเลสเขายังเอาตัวรอดไม่ได้เลยอะค่ะพระอาจารย์ชใช่พวกที่มีอาชีพจิตแพทย์ในเมืองไทยจึงเจ๊งกันหมดไม่มีใครไปหาคุณยาใครมีปัญหาทางใจก็ไปหาพระกันทั้งนั้น ใช่ค่ะใช่ค่ะเสียเงินด้วยค่ะพระอาจารย์เยอะมากแล้วเนี่ยเป็นหลายพันเป็นพันแต่ตอนหลังจากที่เห็นเขาควบคุบเอาลงตัวเองไม่ได้แล้วโยมก็ไม่ไปแล้วค่ะพอเจอผมก็ออกมาเลยค่ะก็มาพระอาจารย์นี้ก็ไม่เสียตังค่ะเสียค่าเด็กอย่างเดียวโอเคส่วพระอาจารย์ก็คงมีเท่านี้จ้ะค่ะพระอาจารย์ก็มีสเตทไว้เตือนใจเลยอันนี้จังโลกขังอนาตานะ เราสติสมาธิปัญญาเจ้าค่ะพระอาจารย์ก่อนนี้ก่อนนี้ยังไม่ไม่ยังไม่เปลี่ยนนะไม่ว่าจะเป็นวันไหนเวลาไหนก่อนตายนักนี่ยังยังเป็นความเป็นความจริงเสมอหลการเลิกก่อเค่ะโอเคทุกพระอาจารย์สาธุค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสาธารณภัยงานของคุณเป็นยังไงบ้างชื่อกสัตว์สุดเจริญหด้วยป่า ค่ะจะไปสนใจแล้วไปสนใจก็ส่วนมากก็ก็คือไม่ได้ต่างคนต่างนั้นนะคะเขาก็ดูพวกยู u b e ลูกก็อยู่ในห้องถ้ากินข้าวว็ติจะไปด้วยกันแค่นี้ค่ะโอเคก็ไม่มีปัญหากันนะไม่ไม่มีค่ะก็เป็น ช่วงๆแล้วแต่ว่ามันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ว่าพอฝึกแล้วมันก็นิ่งขึ้นนะค่ะอาจารย์ออย่าไปกังวลอย่างเท่าเขาญาติดีชัว่วแล้วเรื่องของเขาไปค่ะแต่แต่เขาดีคนาดีมากเาดีมากลูกอันไม่ค่อยดีเลยต้องอาฝึกอืก็ดีนี่ก็โชคดีของเราเป็นบุญของเราได้ได้เจอคนดีอ่า ล, ลูกเนี้ยลูกเนี้ยต้องฝึกเพราะว่าอารมณ์ร้อนที่บุกบิดค่ะอะไรปฏิบัติขนาดนี้ยังหวนอยู่ดีนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วค่ะครับถ้าแต่ก่อนนี้แบบไม่ได้เลยพูดพูดกันแล้วก็ทะเลาะรูกแบบอารมณ์บุกิจง่ายก็บอกรูกอะอารมณ์บุกิจง่ายต้องไปฝึกบ่อยๆค่ะ ก็ปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์ตาที่สองาเบค่ ะ, ะ, ะเคะ่ะไปให้คุณอุษากับคุณดิกชาแม่นูภาพถ่ายนี้ของเราเรื่อของของสูงเนาะของสูงค่ะพระอาจารย์มีอะไรมคุณังค่ะอาจารย์ยมยมสงสัยอยู่ข้อหนึ่งค่ะอาจารย์ว่า ตอนที่โยมไปปฏบิบัติบนเขาใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่ามีคนอยู่สามคนคะ่ะโยมเป็นคนดูแล้วก็สองสองฝ่ายแล้วเขาเถียงกันค่ะเหมือนกับว่าเหมือนเราเป็นคนดูค่ะแต่แล้วก็มันมีฝ่ายดํากับฝ่ายขาวเถียงกันเองก็ใจมันมีกิเลสกระทําโซ่กันเนี่ยค่ะแล้วก็โยมก็เหมือนกับโยมดูแล้วก็มันเขาเถียงกันแล้วอยู่ๆก็เดินไปหยิบหนังสือมาเองค่ะโยมโยมก็ดูเอ๊ะเราไม่ได้สั่ง ร่างกายมันเดินไปหยิบหนังสือมาแล้วก็เปิดเปิ ด, เ ป, ดเปิดกยายกตาสติอะค่ะแล้วก็ดูแล้วก็เพลงเพลงเพลงแล้วก็ยมก็สงสัยว่ามันมีสับมันกับกลายเป็นสามสามตัวละคร น, นะคะอ า, าจารย์ก็อจสั่งให้เราไปหยิบหนังสือมาเห็นออแต่เราไม่มีสติเราก็ไม่รู้ว่าเราสั่งให้มันไปหยิบของมาควาจริงมันก็สังขารตัวเดียวนะมันนั่นสามตัวเลยสังขารมันเนววมันเร็วยิ่งกว่าเงอีก มันสลับโค้ดได้ไ่นอย่างรวดเร็วเป็นธรรมะเล่นบทธรรมะนล่นบทกิเลสจริงๆก็คือตัวเดียวกันนล่น่นบทใจนล่นบทคนดูมันตัวสังขารนั่นตัวเดียวสังขารนั้นเป็นตกวแบบเอ๊ะมันอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดูเขาเรายังไม่ได้สั่งเดแตวเขาไปหยิบมาเหมือนกับเรายืนดูค่ะอาจารย์ก็มันก็ไม่ได้แค่อะไรแค่สงสัยขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราตาม เราตามสติเราไม่ทันหรือเปล่าเลยประมาณนั้นนะใช่เราไม่ทานเราไม่รู้เรามันไม่รู้ว่าเราถูกมันสั่งให้ไปหยิยดน้องเสือมาแล้วมันมันั่างกายทําอะไรเองไม่ได้หรอกมันต้องมีใจเป็นผู้สั่งยกก็เลยอิ่งแต่เราจะรู้หรือไม่รู้ถ้าไม่มีสติก็ไม่รู้เหมือนคนเมาเนี่ไม่รู้ทําอะไรไปถามตอนเช้าเมื่อวานนี้ทําอย่างนั้นทำนี้ไม่รู้หรอะทำไปแล้วไม่มีสติ <c oughs> อ๋อแต่ว่าตอนนั้นคือมันไม่มีอารมณ์อย่างอื่นอยู่เลยนะคะจันแค่เราเป็นผู้ดูอย่างเดียวแล้วก็ยมก็เลยสงสัยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะะี่ยค่ะแต่จากการที่นั่งเก้าอี้ตลอดระยะเวลานานๆเ น, นะะี่ยค่ะอย่างที่อาจารย์แนะนํามาใช่ไหมคะพอไปนั่งสมาธิมันนั่งได้ดีค่ะจันรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับมันมีพลัง น, นะคะสติมันดีขึ้นไหค่ะยมก็เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้เข้าใจแล้วแสดงว่ายอมยมจะตามตามอารมณ์ยอไม่ทันเองใช่ไหมคะมมแล้วก็กรณีที่เราถือศีลแปดใช่ไหมค ะ, ะเวลาเราไปเดินทางเนี่ยไปที่โรงแรมเนี่ยเราเราควรจะนอนพื้นหรือ น, นอนบนเตียงเนี่ยค ะ, ะถ้าถือศีลแปดมันก็ต้องนอนพื้นแข็งๆเลยไม่ใช่ไปนอนฟูกหนาๆเตียงสบายได้คะ่ะ ตอนนั้นก็ลืมไปค่ะอาจารย์จนกระทั่งอาจารย์ถามน้องคนนึงว่านอนพื้นหรือเปล่าโยมคราวนี้โยมไปโยมก็เลยดึงผ้าห่มลงมานอนที่พื้นค่ะอาจารย์อแสดงว่าสองสองที่ผ่านมาก็ลาดไปแล้วค่ะเพอถ้านอนบนฟูกห น, น, นะมันจะนอนนานนอนจะนอนมากมันสบายมันนอนกับเพื่น้นเดี๋ยวพระร่างกายได้พักผ่อนพอแต่งขึ้นมาก็มันจะไม่อยากจะนอนตอน่ออันนี้ข้อหนึ่งนะคะอีกข้อหนึ่งค่ะอาจารย์กรณีที่เรา มีพกพักเครื่องใส่สร้อยคอแหวนพักเครื่องอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะพักเครื่องเราเป็นความเชื่อมองไรทําอะไรช่วยทาไม่ได้หพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ห้อดพักเครื่องเมื่อไหร่ือการเดินทางรอบนี้ของโยมเดินทางแบบไม่มีพักเครื่องติดตัวเลยค่ะอาจารย์เดินทางไม่นั่งเครื่องบินเป็นครั้งแรกค่ะพักเครื่องนี้แท้จริงก็คือสตินี่แหละคือพักเครื่องทีแท้จริง ใช่ค่ะเป็นขั้นแรกในชีวิตเลยค่ะที่เอ้าวขึ้นเครื่องบินเดินทางไกลโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวไปเลยรู้สึก อ, อะเดินเดินหน้าอย่างเดียวพุทโธอย่างเดียวก็จะใช่เพราะพุทโธรัตนนาตายนี่แหละคือพระเครื่องพุทโธธรรมโอสองโขเลยพุทานนัสเตถามานุสเตสามทานสติคนัรย์ขึ้นเขาแบบเดินหน้าอย่างเดียวเดินไม่รู้หละไปละขึ้นเขาอย่างเดียวแบบก็ดีค่ะอาจารย์แฮปปี้ดี ก็จนจนกระทั่งรู้สึกว่าบางวันทุกวันนี้ก็คือบางทีไม่ได้เหน็บพระเครื่องเลยด้วยซ้ําไปะคะ่ะอืมเอาไปง่หายไปเลยมือมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่งนะเพราะนราได้ได้ที่เพิ่ง ท, ที่ที่แท้จริงนะ่ะคืยสติปัญญาของเรานี่แนละมันเป็นมันเหมือนเราถูกฝังมาไงคะอาจารย์แล้วก็บัญ<อ>ชินค่ะขอบพระคุณคะ่ะอาจารย์จะยุบไปกลับไปใช้ไหมคะแสดงว่าต้องฝึกสติอีกใช่ไหม ต้อ ง, องออต้องเปิดปัญกาเกเรจะตายหมดนั่นแหละแต่มันดีขึ้นนะคะอาจารย์มันดีขึ้นจากใจร้อนจากมุดหงิดมันดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วก็ใช่นาะถ้าไม่ดีมันก็จะมาจะมาปฏิบัติทําไมให้เสียเวลาใช่ไหมใช่ค่ะรู้สึกแบบแต่ว่าเพื่อนโยมเป็นห่วงถามว่าตัวเองหายไปไหนมาตัวเองป่วยหรือเปล่าย้อโทรมาถา ม, มเห็นเงียบไปอยูอ๋เปล่าเปล่ า, าสบายดีค่ะ<ม>เพื่อนเป็นห่วงคะ่ะอาจารย์ค่ะ นี่ลูมา ม, มีอะ<ม> ไ, ไรไห ม, ไมลูกสาว ม, มีอะไรเปล่ามีคะ่ะพระอาจารย์อมีสองเรื่องค่ะมีบททดสอบหนึ่งเรื่องแล้วก็ก่อนที่จะมาเข้าซูมก็นั่งนั่งยาวๆประมาณได้ประมาณสามชั่วโมงนะคะพระอาจารย์แบบยังไม่ค่อยว่าะคะ่ะตอนนี้แต่ว่าก็เอาเท่าที่ได้ช่วงสี่โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งอะคะ่ะพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าคุยกับแม่ตั้งแต่เช้าแล้วคะ่ะว่า เออคิดถึงตอนที่นั่งยาวๆแล้วสติมันได้กำลังดีมากจำจำเห็นเห็นผลแล้วรู้สึกว่าคิดอยากทำทาต่อค่ะพระอาจารย์ก็เลยทำมันค่ะพระอาจารย์ เ, อ, อ, เ, อ, อ, เ อ, อ่ช่วงที่ผ่านมาคะะ่ะเจอบททดสอบสอบตกไปเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเออถูก ถูกกระตุน้นกิเลสตัวนี้อสุรกายของหนูตัวเนี้ยมันตัวใหญ่มากเท่าที่หนูเคยรู้จักมันมาค่ะรู้มานานแล้วว่าถ้าสมมุติมันทนทนท น, ทนถึงสักพักนึงมันจะ บ, บึ้มออกมาเยงี้ค่ะพระอาจารย์อหนูใช้วิธีรู้เลยค่ะว่าเวทนามันรุนแรงมากทั้งเวทนาทางใจและร่างกายค่ะที่มันมาถึงหัวหัวใจหรือมันเหมือนเส้นเลือดจะแตกตายได้เลยค่ะพระอาจารย์ วิธีแก้ต่อของหนูตอนนั้นก็คือว่าพยายามเอาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นก่อนแล้วพูดพูดโทค่ะแต่พูดโทเนี่ยมันก็จะนิ่งได้แค่ช่วงนึงค่ะแต่ถ้าสมมุติเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดเรื่องนั้นขึ้นมาอีกมันเหมือนถูกตะกรมันถูกแกว่งขึ้นมาค่ะพะอาจหนูเลยเริ่มหาวิธีใหม่ก็ไปดูไปดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องธรรมะแล้วก็เรื่องจิตวิทยาค่ะเลยมันเจอวิธีหนึ่งแล้วหนูมา analyze เองได้ค่ะว่า ทุกๆอย่างไม่ว่าจะจิตที่ด้านไหนอะ่ะถ้าเรามีสติห น, น้าเหตุการณ์ น, นั้นนะคะถ้าไม่ไม่ว่ายังไงถ้าเรามีสติหยุดมันเราใช้ปัญญาค่ะไม่มีใครทําอะไรเราได้เลยค่ะไม่ถึงเขาจะทําทางร่างกายได้แต่ทางใจเราจะเป็นอิสระเลยค่ะนั่นแหละคะ่ะหนูถึงแก้ปัญหาได้แล้วจากที่ความเครียดมันพุ่งเป็นกราบค่ะมันตกลงมาเหลือครึ่งหนึ่งแทบจะหมดได้เลยค่ะพระอาจารย์ใช้วิธีนั้นในการ ทำให้ความเครียดหายไปค่ะอาจารย์เราปล่อยวางร่างกายอะไรจะเกิดก็เกิดใช่ไหมหนูไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการปล่อยวางร่างกายค่ะหนูแค่คิดว่าหนูชอบไปคิดถึงอดีตนะคะว่าที่เหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้เมื่อก่อนเขาก็เคยทําแบบนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามีคนไม่รักหนูมีคนไม่ไม่ชอบหรือมีคนแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักตลอดเวลาค่ะแล้ว เรียนจากทางด้านจิตวิทยาเขาก็จะบอกว่ามันเกิดจากปมด้านโน้ดนด้านนี้แต่จริงๆแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าหนูก็ไปเจอมาว่าถ้าจริงๆเรามีสติอ่ะค่ะแล้วเราก็ใช้ปัญญาคิดว่าไม่เห็นมันเข้าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยเหมือนให้อภัยในอดีตไปได้ครึ่งหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์ <S <S จากสติว่า <S 2> <S 2> <S 2> เขาเขาทํำลายความรู้สึกอะไรเราไม่ได้ถ้าเราแต่แค่เราที่ผ่านมาเราใช้เรามีกําลังสติสะสมมาเหมือนกันแต่ยังไม่มไม่มากพอ แค่วันนี้เรามาสะสมใหม่แล้วก็สร้างมันใหม่อะค่ะพระอาจารย์ก็ดีขึ้นค่ะก็ดีถ้าทำให้ใจเราสงบลงก็ใช้ได้ค่ะพุทโธเอาอยู่ได้แค่ช่วงนึ่งเาใช่ใช่ใช่ใา่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่อ่ใช่าช่ใ่เจ่มามันยังู่ช่ใช่ใชยใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใต่ใช่ใ่ที่นั่งส่าช่ี่ยช่ใชวใช่ใช่ใช่ใช่ใ นั่งประมาณสักสามครั้งได้ค่ะที่ที่ทํามาหนูเจอค่ะพระอาจารย์ว่าปัญหาที่ทําให้หนูแบบอสุรกายตัวนั้นนะคะที่หนูรู้สึกว่าไม่เป็นที่รักเลยเนี้ยมันมันถูกมันเจอจากในสมาธิได้เลยค่ะมันเหมือนกับว่าทุกทั้งทุกครั้งที่เครียดความรู้สึกดําความรู้สึกแนวเดียวกันนะคะมันจะผุดขึ้นมาในจิตแล้วก็ไปเจอว่ามันไปเจอเหตุการณ์หนึ่งว่าอ๋อมันผุดเจอเหตุการณ์เนี้ยมันมาหยู่ที่เหตุการณ์เนี้ยค่ะพระอาจารย์ หนูก็เลยไปทำความเข้าใจกับเหตุการณ์นั้นใหม่อะค่ะแต่ว่าในว่าคือเหมือนกับในช่วงสมัยเด็กๆถูกถูกทำร้ายจากญาติๆทางทางจิตใจอะค่ะแล้วรู้สึกว่าไม่มีใครช่วยประมาณนั้นค่ะตอนในสามชั่วโมงที่หนูทำมาค่ะมันช่วหนึ่งชั่วโมงแรกฟุ้งมากค่ะจ น, จนเจอโดยบังเอิญค่ะพระอาจารย์ว่าจะไปเครียดอะไรเขาก็แบบเครียดไปเดี๋ยวก็ตายกันหมดค่ะแล้วมันก็ มันว่างอะค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยเฮ้ยหรือลองนึกถึงความตายดูก็เลยนึกถึงตายตายตายตายตายไปเรื่อยๆมันสงบค่ะพระอาจารย์แล้วมันมีความสุขขึ้นมาเลยค่ะหนูก็เลยหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงที่สองหนูใช้นึกถึงความตายไปเรื่อยๆค่ะเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีภาพอะไรเกิดขึ้นพอนึกถึงความตายมันก็คลายไปเพราะว่าเราจะไปยึดทําไมเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วมันกลายเป็นอากาศไปหมดแล้วเราไปกอดกับมันทําไมค่ะมันก็เริ่มสบายขึ้นค่ะ พอชั่วโมองที่สอพอหลังหลังจากนั้นค่ะพระอาจารย์ไม่อยากบริกรรมรู้สึกว่ามันเริ่มลาคาแล้วค่ะมันก็ก็กลับมาดูถึงดูความว่างดูแค่ไม่ไม่มีคำบริกรรมอะค่ะดูแค่ลมปลายจมูกแล้วมันก็เริ่มมีความสุขขึ้นมีความสุขขึ้น เ, เข้าได้แค่คณิกะค่ะมันแบบว่าเข้ามาได้รับความสุขแป๊บเดียวค่ะที่แป๊บเดียวค่ะแล้วก็พอออกพอออกมาค่ะมาพิจารณาว่า ไอเหตุการณ์ที่หนูบอกว่าหนูเจอแล้วค่ะว่าทำไมหนูถึงรู้สึกว่ามันเครียดจนทำให้รู้สึกทุกอย่างมันแย่ไปหมดนะคะมาจากเหตุการณ์นั้นหนูมาเจอว่าอ๋อคาคำที่บอกว่าเราไปแก้เขาไม่ได้หนูสู้ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็จบไปสู้ไม่ได้ค่ะหนูมาเจอว่าอ๋อมาจากความกลัวของหนูค่ะหนูก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อถ้าเป็นความกลัวลองไปมองมันอีกทีดีกว่าเหมือนที่ผ้าจา์ให้หนู เดินเข้าไปหาหมาค่ะว่าถ้าถ้าหนูกลัวหมาให้ลองไปสู้กับมันคราวนี้หนูเลยคิดได้ค่ะว่าถ้าเรากลัวความรู้สึกนั้นงั้นเราก็เดี๋ยวค่อยใช้ต่อมาเดี๋ยวเราจะใช้สติค่ ะ, คะแล้วมองความรู้สึกนั้นดูซิว่าไอตอนกลัวกลัวไม่เป็นที่รักหรือกลัวโดนเขาว่าโดนเขาทาร้ายมันเจ็บที่ใจแบบนี้ไม่ชอบเวทนาแบบนี้แล้วมองไปว่ายังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีอะค่ะในในอนาคตหนูต้องเจอคนที่ว่าหนูมาทําร้ายหนูแน่ๆถ้ามันไม่ชอบเวทนานี้ ถ้าไม่ชอบเวทนาเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปเราดูดูมันทาความเข้าใจมันเดี๋ยวมันจะต้องได้ต้องชนะมันแน่ๆค่ะตอนนี้ที่หนูกำลังจะแก้ปัญหามันต่อไปนะคะอืมนี่ยค่ะของวันนี้ค่ะพระอาจารย์เอใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยตัวสองตัวนี้เป็นตัวที่จะแก้ปัญหาได้โอเค <Okay. S 2> เราจะพยายามทาต่อไปเรื่อยๆค่ะ พองอาศัยสติเป็นตัวผักดันถ้าจิตมีพลังถึงจะใช้ปัญญาสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้โอเคนะอค่ะ okay ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์นวัฒนการไปที่โฟเบคุณจุกจะกลับเมืองไทยแล้วอย่างมีโครงการจะกลับเมืองไทยหรือเปล่าตอนนี้กลับในวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่ไม่มีค่ะพระอาจารย์ก็คงอยู่ที่นี่ยาวค่ะพระอาจารย์อืม ธรรมากลับกลับมาเยี่ยมานบ่อยไหมกลับประมาณปีละครั้งเจ้าค่ะพระอาจารย์ปีละครั้งพระอาจารย์คะวันนี้หนูมี ค, มคําถามเจ้าค่ะอืคือตอนนี้หนูฝึกฝึกปฏิบัติอยู่ใช่ไหมเจา้าคะ่ะตอนนี้ก็คือหนูหันกลับกลับมาย้อนดูกายดูรูปดูดูขันห้านะคะนะคะพระอาจารย์ก็กล่าวว่าจะเอาดูรูปให้ให้คล่องก่อนแต่หนู มีปัญหาติดคือคือหนูติดสัญญาที่ว่าเอ่อการดูดูกายเนะะี่ยค่ะเราจะพิจารณายังไงให้เกิดปัญญาที่มาจากปัญญาจากจิตข้างในของเราให้รู้ว่ากายเนี่ยมันเป็นดินน้ำลมไฟคือตอนนี้หนูก็เข้าใจนะคะดินน้ำลมไฟมันเป็นยังไงมันเป็นสัญญาที่เราอ่านมาแต่ว่ามันไม่ได้เข้าไปจับจิตจับใจที่ออกมาว่าเนี่ยกายเราเป็นยังไงก็ ก็ไปดูเวลาที่คนตายแล้วเขาเด็ดกระดูกไว้ด้วยเหลืออะไรละเลยอย่าคิดเท่ากระดูกใช่ไหมช่วงก่อนหนูช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะหนูหนูหมั่นแบบคือสังเกตตัวเองก็คือเราเรามีสติอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะเราฝึกอยู่ก็สังเกตดูกายก็คือถ้าเราลมดูลมหายใจดูลมหายใจก็คือลมดูการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็มาจากลม ดูคือเพ่งจนเครียดอะคะพระอาจารย์ไม่จำเป็นเจ้าต้องดูแบบนั้นไม่จำเป็นใช่ไหมเจ้าคะอะแล้วควรจะพิจารณาอย่างไรอะเจ้าคะงานนึกถึงกระดูกที่มันเวลาคนเ็าเผาศบแล้วหรืออะไรอัอนนั้นท่านดินนวล น, นวลไหมที่เท่าอะไเศษกระดูกอะ เคเข้าใจไหยเข้าใจจ้าค่ะก็คือเราเราก็ไปดูตรงนั้นเาีา้พิจารณาตรงนั้นบ่อยๆเล้วเจ้ะค่ะนึกว่าเราไปดูข้าล่างบ่าชาดูว่าขุดขุดสร้างศพที่อยู่ในหลมุมขึ้นมาดูก็เหลืออะไรก็เลยตคละครงมาดูก่าตุาจางเงินก็หายไปหมดแล้วแยกแยกออกไปหมดแล้วแต่ธานดิน เราควรจะไปดูให้เห็นของจริงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าคะเหมือนที่เขาไปไอที่สํานักป่านารืชาอะไรอย่างนั้นควรจะไปอย่างนั้นไหมเจ้าคะก็แล้วแต่เราถ้าเราคิดว่ามันไปแล้วมันจะทำให้เรา เ, เห็นชัดเจนกาไปหรือถ้าเราสามารถค้นหาภาพมาดูแทนก็ได้เจ้าคะ่ะเข้าใจไหม แต่ยัง่ังไก็ยังเป็นสัญญาอยู่การที่จะเป็นปัญญาคือเราต้องปล่อยมันเราต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บแต่เราต้องการดูว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นมันนันเราไม่ต้องไปทุกขกับมันอันนี้เรายังทุกขกับมันอยู่ใช่ไหมเวลาเป็นอะไรใจเราก็ทุกขึ้นมาแต่เราต้องไม่ทุกขกับมัน หนูหนูก็คือหนูหนูก็แยกตรงที่ว่าหนูไม่อยากให้แบบป่วยมาก่อนเราถึงจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะหนูอยากฝึกให้เห็นตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ดูสร้างศพสิบชิ้นนี้ในกรรมฐานเนี่ยอะไันนี้ก็ศพสุภากรรมฐานตรงนั้นใช่ไหยเจ้าค่ะสรางศพสิบชิ้นเนี้มันก็จากคนเริ่มตายใหม่ๆแล้วค่อยๆค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปที่สุดก็เหลือแต่เศษเศษกระดูก ค่ะเดี๋ยวหลังจากวันนี้ไปเดี๋ยวหนูจะลองไปหาดูเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมเพราะนั้นหสือกายังกตาสติก็มีบางส่วนให้ดูได้ดเจ้าค่ะกบขอบ ค, คุณเจ้าค่ะพระอาจารย์สาธุพระอาจะมีอะไรแนะนําเพิ่มอีกไหมเจ้ า, าค่ะออแค่ี้ก็เหลือเพื่อแล้วทํำให้มาถึงให้ได้นอนแนละ้วค่ะ อ่หนูจะพยายามดูกายให้คล่องก่อนก็นเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมถ้าปล่อยวางมันได้เอไม่เป็ทุกข์กับมันเค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วหนูจะมาเล่าในสัปดาห์หน้าเจ้าค่ะโอเคครัุค่ะขอบเจ้าค่ะอ่าแม่น้องเลนก็น้องเลนวันวนี้นะเอาน้องเลนมาด้วยเลยกลับสาธุค่ะพระอาจารย์น้องเลนจะได้ค่ะวันนี้ค่ะ ก็ะน้องหลินค่ะพระอาจารย์อยู่ชั้นไหนแล้วเจ้ป้ีค่ะป้าสี่แล้วอันนี้เข้ามาร่วมฟังหรือว่าจะมาถามอะไรหรือเปล่ามาฟังค่ะพระอาจารย์ค่ะมีอะไรบ้าก็ของหนูไม่มีก็ปฏิบัติค่ะไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะพอดีประเด็นคือหนู ก็คือที่ผ่านผ่าตัดผ่านมาเนี่ยคะ่ะพระอาจารย์หนูก็ได้ประสบการณ์จากพระอาจารย์ค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่หนูพ่าสมองมาเนี่ยตอนหนูตอนผ่าตัดเนี่ยมันเจ็บปวดร่างกายใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์เพราะว่ามันมีความอยากหายแล้วเวลามันรู้แค่ว่าเข้าสมาธิมันจะช่วยให้ลดความปวดนะคะพอผ่าตัดครั้งนี้ยครั้งที่สิบค่ะพระอาจารย์หนูก็ลอง ดูว่าสภาวะใจของหนูเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยได้สัมผัสเอ่อความเจ็บปวดนะคะพระอาจารย์ของร่างกายกลายเป็นว่าเจ็บปวดน้อยอค่ะพระอาจารย์แล้วการฟูนตัวระไว้ค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยว่าก็เลยมาเห็นว่าเคยคิดว่ากายกับใจแยกกันได้ยังไงอย่างเงี้ยเจ้าข้าพระอาจารย์ mm hmm. พอมาเป็นรอบนี้ก็เลยเห็นเลยค่ะพระอาจารย์ว่าโอ้กายกับใจแยกกันได้จริงๆตอน สภาวะที่ผ่าครั้งที่สิบนี่แหละค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยได้แล้วการฟื้นตัวก็จะไวเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนอัตโนมัติเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่าอกต้องกราบสาธุเลยค่ะพระอาจารย์ได้ฟังทำปฏิบัติธรรมจากพระอาจารย์แล้วพอมาใช้เกิดเหตุการณ์แล้วก็ใช้ได้จริงๆค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้เห็นว่าโอ๊ตกายกระใจแยกได้จริงๆเจ้จาค่ะพระอาจารย์ มันต้องเจอต้องเจอทุกมันถึงจะแยกกันน้เจอสุกมันมันจะกอดกันเวลาเจอสุกแต่ชัดเจอทุกหมดก็ต้องแยกกันมันถึงจะหายทุกเนีเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เลยได้ของดีหนูก็เลยว่าโอ้โหหนูแบบดีใจมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเวลาหนูผ่าตัดหนูก็แบบเอ้ออะไรแบบกายกับใจแยกได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสงสัยนะคะในช่วงที่หนูผ่าตัดมาเยอะๆค่ะ Mm hmm. พอหนูมาปฏิบัติแล้วฟังธรรมกับพระอาจารย์บอกถ้าเราอยากเราก็จะไม่หลุดอย่างเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์ก็ลองปล่อยเลยค่ะพระอาจารย์มันก็เลยไม่มีปัญหาเลยคะ่ะ mm hmm. พระอาจารย์หมอจะถ า, ามเ จ, จาา้าค่ะพระ mm hmm. หมอจะถามหนูนะคะ่ะว่าไม่ทานยากแก้ปวดรอพยาบาลก็จะถามว่าปวดขนาดปวดระดับคะแนนเท่าไหร่อ ย, อย่างนี้ยคะ่ะแล้วก็พยายาม mm hmm. ตอบว่า ปวดน้อยหนึ่งสองคะแนนเองบอกหมอว่าหนูไม่ปวดหนูก็เลยไม่ได้กินยาบอกก็เลยให้กลับบ้านไวค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้อยู่ไอซูแค่สองวันแล้วก็อยู่วอดวันนแล้วก็กลับบ้านเลยค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะธรรมธรรมะอุสนนะธรรมะอุปสนนะรักษาใจด้วยแล้วก็มีผลกระทบต่อร่างกายด้วยโอ้ดีมากเลยเค่ะพระอ า, าจารย์สาธุค่ะไปที่อาจารย์พรมวิไลเชิญ ไม่มีคําถามอะไรครับน้ำสศการพระอาจารย์ครับโอเคสุขภาพดีนะดีครับอ่ามาอะไรเงี้ยโอเคธารมะาฟ้าเอออะไรงานตัวใจก็สบายนะไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายเป็นยังไงก็ดูแลมันไปตามสภาพค่ะใจสบายค่ะอืม โ <Okay. S 2> อเคู่ค่ะยังเบิกบานอยู่ได้คะ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะต้องว้ตกไม่ต้องกังวลเลค่ะอยู่<ม>ได้สบายๆลคะค่ ะ, ะ, <แ>ะใช่สารธรรหนึงหน่งกา บ, บนมัสการค่ะพระอาจารย์ อ่มีอะไรไหมก็มีคำถามแล้วก็รายงานการปฏิบัติค่ะพระอาจารย์ก็อ่าตอนนี้ศึกษาอ่าสติปัฏฐานสี่ยงก็ศึกษาเรื่องกายาวิปัสนาสติปัฏฐานคะ่ะแล้วก็มีอ่านเวทนาไปแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจมากเจ้าคะ่ะแต่ก็ว่าก็เอามาใช้รวมกับอ่าใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยคะ่ะอย่างหมวดกายาก็ อาณาปานสติก็ฝึกอยู่ทุกวันเจ้าค่ะแต่ว่าก็เพิ่มในส่วนที่ว่าพิจารณาตามอิริยาบทต่างๆแล้วก็หมวดต่างๆที่ว่าอย่างเช่นว่าพิจารณาร่างกายเป็นธาตุสี่แล้วก็อาการสาสิบสองแล้วก็พวกที่เป็นซากศพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพระอาจารย์ก็มีสอน อยู่ตลอดอะคะ่ะในเรื่องที่ให้พิจารณาพวกนี้ยงแล้วตอนเช้ายงก็มีสวดคือมันเป็นบทธําวัดเย็นนะเจ้าค่ะยงก็เอ า, ม, ามันจะมีพวกเกี่ยวกับว่าพิจารณาสังขารแล้วก็เรื่องอ่ <Okay. S 1> อาการสันติสองอยู่แล้วะคะ่ะโยงก็พิจารณาตรงนี้มากขึ้นส่วนวันนี้โยงไปหาหมอคะ่ะ ห, หมอยงก็อ่าปรับใช้อย่างเช่นว่าแต่ก่อนเวลาที่ ที่เวลาเจาะเลือดยมจะหนีตอนนี้ยมก็มองไปเลยมองมอ ง, มองเห็นแบบว่าเขาดูดเลือดเราไปเขาเอาเข็มเจาะแล้วยมก็อย่างวันเนี้ยโยมรู้เลยว่าพยาบาลคนเนี้ยคนเขาจะมีพยาบาลไงค่ะคนนี้ยยมยมจะหาเขาประจําคนเนี้ยมือเบาแต่ว่าวันนี้ยมจะเจอแล้วใจยมก็คิละโอ้โหต้องเจออย่างคนเนี้ยมือหนักแต่ว่าโยมก็แบบ เอาโอเคมันเป็นความอยากเราแหละเราอยากให้คนนี้มามาเจาะแล้วเราก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มทุกไปแล้วเราคาดไปแล้วว่าเราจะต้องแบบอยากให้ให้คนนี้มามามือเบาๆมาทําให้เราโยมก็ยอมรับมันโยมก็โอเคไม่เป็นไรโยมที่โยมไม่บอกว่าเออฉันจะรีเควสคนนี้นะโยมก็ไม่เอาโยมก็ปล่อยก็แต่มันก็เจ็บจริงๆพระอาจารย์ <c ười> คือแบบว่าคือเอาเข็มแบบโอ้ยแบบพอเจาะปืด้ดโอ้โหมือหนักจริงๆพระอาจารย์ก็โอเคแต่โยมก็ก็ใช้แบบ คือแต่ก่อนโยมโยมจะเข้าสมาธิโยมก็ใช้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาโยมก็เนี่ยแหละก็คิดอย่างนี้ไปค่ะพิจารณาว่าเออสักวันเราก็จะต้องตายนะอะไรอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมันก็แค่แค่แค่แค่เจาะเจาะเลือดนะคะแต่แบบว่าโยมก็ใช้ตรงนี้แบบพิจารณาไปอะค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นมันก็เจ็บอะเพราะว่ามือเขาหนักอะพระอาจารย์ แต่ว่าแต่ก่อนน่ะถ้าเกิดคนไหนมือหนักก็โยมป้จะอาจจะมีแอบเคืองไงแอบโมโหพอแบบบางทีแบบหูยทำไมมือหนักจังอะไรเงี้ยวันนี้ก็ก็ก็ก็มีก็แบบรู้สึกเจ็บแต่ว่าโยมก็แบบคือหมอไปว่าเดี๋ยวมันก็หายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็เนี่ยมันก็มีอาการตุบๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอะค่ะหลังจากนั้นแบบสองชั่วโมงมันก็ดีขึ้นนะคะพระอาจารย์โยมก็โอเคก็เอามาปรับใช้ตรงนี้แล้วก็ พอถึงเวลาหาหมออีกวันนี้แจ็คพอตคือโยงเป็นไทลอยแล้วมันเป็นก้อนน้ําที่คอหมอก็ตรวจว่ามันพองดีมันอักเสบอะคะ่ะพระอาจาร์แล้วมันใหญ่ขึ้นวันนี้หมอก็แบบอยู่ๆว่าหมอก็เลยบอกงั้นเดี๋ยววันนี้หมอจะดูดนะ้ำออกมานะก็หมายถึงว่าจะเจาะคออะคะ่ะพระจารย์ก็เอาเข็มทิ้มแต่ว่าตอนแรกยงก็ใจเสียมกันแหละเพราะว่าโยงอะพึ่งแบบเจอคนเจาะเลือดก็เจ็บโวจะมาเจาะคอดูดอีกแต่โยงก็แบบใจมันนึกมันติดหนึ่งคะ่ะพระจารย์มันก็แบบ มันก็จ่อยๆเหมือนกันอ่ะแล้วก็โยงก็ยอมรับมันว่าโอเคเรามีความเจ็บเป็นธรรมดานะเราไม่สามารถหลีกพลนมันได้ก็ยงก็แบบยอมรับมันนะคะพระอาจารย์แล้วก็ดีไม่เจ็บเลยค่ะพระอาจารย์หมอก็แบบแบบมือเบาแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม่เอาความอยากของเราอะ่ะว่าเออยอยากยังงู้นอยากอย่างนี้ยงคุมความความอยากเอาไว้ทุกอย่างมันก็มันก็ดีขึ้นทุกๆอย่างเลยค่ะพระอาจารย์ที่ยมเอามาปรับใช้ในชีวิตอะคะ่ะ รายงานพระอาจารย์เท่านี้ค่ะพระอาจารย์กับขอบพระคุณค่ะนี่นทั้งไม่มีคำถามมีหรือเปล่าก็มีโยมไปฟังที่พระฝรั่งสองคนสัมภาษณ์พระอาจารย์ค่ะโยมฟังห้ารอบ <c oughs> โยมรู้สึกว่าว่าแบบน่าสนใจมากแล้วก็สิ่งที่เขาถามเรื่องสติปัฏฐานมีประโยชน์ <c oughs> แต่บาง <c oughs> ทีมันเป็นศัพท์เทคนิคที่โยมไม่เข้าใจโยมก็ฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ฟังแล้วก็ ดีคะ่ะเสริมความเข้าใจอะคะ่ะพระอาจารย์ทีนี้ว่าโยมก็มีคำถามนิดนึงอะคะ่ะพระอาจารย์เรื่องที่จะพระอาจารย์บอกว่าให้เข้าประมาณแบบว่าเหมือนกับแบบฌานสี่ใช่ไหมคะจานหน้ the first, าเดอะโฟร์ฌาหน้าคือเข้าฌานสีให้ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่ค่ะ <c oughs> โอเบคขาต้องการให้ใจปเป็นออเบคขาต้องเข้าฌานสี่อ๋อเจ้าค่ะ ทีนี้ว่าพระอาจารย์อย่างแต่โยมก็ไม่รู้เข้าใจผิดถูกนะอย่างเพื่อนโยมที่เขาแบบสมาธิไปแบบไกลๆอะ่ะบางทีพอฝึกสมาธิไปอะ่ะบางทีเขาจะแบบเกิดลทธิ์ปุ๊บมันจะแบบมันจะมันจะแบบชอบไปดูนั่นดูนี่อ่เหมือนหลงอ่ะพระอาจารย์นั่นคือเขาไม่เข้าอุเบกขาใช่ไหมคะคือเขาบิดทำโลภในสมาธิใช่ไหมต้องไปเข้าสมาธิอีกแบบหนึ่งเรียกอุ ป, ปจารสมาธิอ๋อค่ะ ถ้าสมาธิเข้าอุเบกขามันต้องไม่ไปอยากแบบอยากมีฤิ์อยากอะไรแล้วใช่ไหมคะใช่มันจะใช้ใช้ใชแต่ว่ารู้แล้วมันจะอยู่ในที่ว่างที่สมบถ้อุปจารสมาธิเนี่มันจะออกไปดูดับรู้เหตุการณ์ต่างๆทั้งในโลกทิพย์เจอกายทิพย์เจออะไรต่างๆแล้วมีฤทธิ์มีเดชมีความสามารถทำาุกชาติได้ในต่างๆเลย ห น, นึ่งละเป็นสมาธิที่เราไม่ควรไปกันเด้ยวค่ะมันก็ไม่ได้ไปกันทุกคน อ, อันนี้มันต้องเป็นคนที่เคย ส, สมมะสมบารมีแบบนี้มา ก, ก่อนซึ่งก็มีน้อยในวงในวงในวงการปฏิบัติเท่ามีแค่ห้าร้อยละห้านั่นเองถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องไปกังวลถ้ามีก็คออย่านึงมันกลับเข้ามาที่อุเบกขาอย่าปล่อยให้มันออกไปมันต้องเข้าอุเบกขาก่อนเข้าฌานสี่ก่อนแล้วมันึะค่อยออกไปทาง ทางทางอุปจารสมาธิอีกทีหนึง่งนะคะตอนนี้โยมเข้าสมาธิโยมก็พอพอคำบริกรรมมันหายไปอะโยมก็นิ่งๆแล้วก็สงบว่างๆดีอะค่ะพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันมีเพื่อนแบบอย่างสายอื่นอย่างเงี้ยที่เราก็คุยเขาอยู่เขาก็จะมาแนะนำโยมแหละว่าให้ขึ้นไปไปกราบพระพุทธเจ้าบนเมืองนิพพานเลย ขึ้นไปเลยแต่โยมไม่ไม่ได้ขึ้นหรอกคะ่ะเพราะโยมก็ก็แค่ฟังเขาอะ่ะโยมก็โยเอ๊ะมันเราจะนึกไปเองอะสิเราจะคิดของเราไปเองอะสิอะไรอย่างเงี้ยโยมก็ไมไ่ได้ได้ตามเขาเพราะโยมก็ม่วงหลงมันไม่เป็นจริงอ่ะมันไปไม่ได้หรอกเ้าอยากจะไปกับพระพุทธเจ้าก็ต้องไปนิพพานด้วยตัวเราเองไม่ใช่เหมือนนั่งนึกแล้วก็ส่งจิตไปมไปไม่ได้เราต้องทําใจให้สะอาดโดยสุดเป็นนิพพานว่า แล้วก็จะอยู่กับพ่อตาเจ้าอยู่กับพระอาหล า, า น, นั้วยโยมคะโยมโยมก็แค่ฟังเขาก็ก็เฉยๆไปแต่โยมก็ก็คิดอยู่ว่าอืมก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเปค่ะสมาสมาที่คือให้จิตนั่งสงบไม่ไปไหนให้นั่งให้อยู่สักแต่ว่ารู้ไปดูใบคาไม่รักไม่ชั่งไม่กลัวไม่หลงต้องการสมาธิแบบนี้ เจ้าค่ะตอนตอนนี้ก็ก็นิ่งๆอยู่ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรแบบไม่ได้มีนิมิตไม่ได้มีอะไรเลยอาจจะแบบยังไม่ถึงขั้นนั้นนะเจค่ะเอถ้าถึงเมื่อแสดงว่าไม่ใช่นะต้องเดินกลับมาอ๋อเจ้าค่ะอย่าไปตามนิมิตอย่าไปเห็นอะไรเจ้าค่ะกลับขอบอคุณเจ้าค่ะเป็นความว่างมันอยู่กับความว่างอย่างเดียวค่ะตอนตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่เห็นอะไรมันก็อยู่กับความว่างก็นิ่งๆไปหลังจากอื หลังจากอ่าคำบริกรรมหายไปเป็นสมาธิที่ไม่มีพิษไม่มีภัยถ้าไปเห็นนิมิตเนี๋ยมันก็หลอกเราให้ว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเดแล้วก็บ้าตามมันไปเองเจ้าค่ะถ้าจารย์แรกๆที่นั่งสมาธิมันอาจจะมีการอาการแบบเหมือนตกจากที่สูงช่วงแรกๆแต่ก่อนเป็นเป็นบ้างเดี๋ยวนี้อาการนั้นมันหายไปแล้วค่ะมันไม่เป็นอีกเลยนั่นคือมันไม่ไม่เป็นแล้วใช่ไหมหรือว่ามันอาจจะมีได้มันก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนอ อันนี้จันอนาตตาสั่งมันไม่ได้มันจะตกก็ต ก, ไ ม, ต ก, กไม่ตกก็ไม่เป็นไรเจ้าค่ะค่ะกบขอบคุณเจ้าค่ะกรอบคุณพระพอาจารย์มากๆเลยค่ะสาธุปไปในคุณสุภาตาัตราเชิญอันนี้เท็กซัสเลยไทยแลนด์กลับมามาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ยินรูปไหมเจ้าค่ะเอยตอนนี้อยู่เท็กซัสเลยอยู่ไทยแลนด์ ยังอยู่ที่เท็กซัสเจ้าค่ะลูกขายไปสองอาทิตย์ไปอ่อโคลโดโไปดูแลคุณพ่อสามีมาเจ้าค่ะก็คุณคุณแม่สามีอยู่ไวโอมิงส่วนคุณพ่ออยู่โคโรโลโดเจ้าค่ะอแต่ลูกไปพักที่ไปพักกับคุณแม่เขาที่ไวโอมิงแล้วก็ขับไปดูแลคุณพ่อที่โคโรโลโดเจ้าค่ะก็ประมาณชั่วโมงกว่าขับรถไปเจ้าค่ะก็เลยหายไปสองอาทิตย์อยู่ไม่กล จ, จากที่นั่ค่ะ ไม่ไกลจัด ก, กันเท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะก็ไปดูแลมาเ พ, พิ่งเพิ่งเสร็จแล้วเจ้าค่ะก็เดือนนี้ก็เป็นอะไรที่ทำให้ลูกเห็นไตรักแล้วก็แล้วก็เห็นทุกในไตรักเจ้าค่ะแล้วก็ฝึกดีใจที่ได้มีการฝึกปฏิบัติมาก็เลยทำให้เรามีกำลังหลายๆยอย่างเจ้าค่ะกำลังข้างในอืมมีรูเบก า, ากำลังก็คือรูเบกาวางเฉยได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็นึกถึงคําสอนของพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าจิตมันเริ่มเควง้งเริ่มลงก็คือพยายามดึงสติขึ้นมาแล้วก็เข้าอุเบกขาต่อเจ้าค่ะก็ตามฝ<ม>ึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็เห็นไตรักมากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงแล้วมันทําให้เป็นทุกข์เจ้าค่ะเห็นควา ม, มตรงนั้นเห็นความทุกข์ในความไม่เที่ยง ก็เลยมีความรู้สึกว่าเราต้องรีบพยายามฝึกท้างในให้มากขึ้นเจ้าค่ะ ม, มากขึ้นเรื่อยๆเจ้าค่ะ ต, ต้องฝึกจนใจแล้วไม่ทุกข์กับมันมันไม่เที่ยงอะวนมันไม่เที่ยงไปแต่ใจเราไม่เอาไปทุกข์กับมันเจ้าค่ะลูกก็เลยใช้สภาพแวดล้อมความเป็นจริงชีวิตจริงในการฝึกตอนนี้เจ้าค่ะแล้ว ก, แวก็แล้วพอมีเวลาว่างลูกก็ปฏิบัตินั่งเพื่อเติมกำลังต่อเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกไม่มีคาถาม เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วก็เดี๋ยวกันยากันยาเดือนหน้าลูกกลับไทยเจ้าค่ะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ไทยอืเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็ค่อยเป็นลําดับขั้นตอนไปเรื่อยๆเจ้าค่ะอืแล้วแต่เจ้าค่ะดีให้มีแผนการไว้กันล้วกันจะได้เจ้าค่ะโอเคสาธุกลับขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณอย่างสูงเจ้าค่ะอ มันแปวลวาอะไรศีรษะชากราบนมัส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะก็ยังคงเหมือนเดิมเจ้าค่ะ เ, mm hmm. เพิ่งกลับจากเชียงรายเจ้าค่ะแล้วก็มีโอกาสที่นั่งสมาธินอนแต่ว่าในช่วงระหว่างนั้นหนูนใช้กรรมฐานแทนเจ้าค่ะอันนี้เราสามารถทําสลับกันได้ใช่ไหมเจ้าคะก็ได้แต่ถ้าใจมันไม่มีพลังก็ต้อง ต้องพยายามปฏิบัติสมาธิให้มากเจ้าค่ะได้เ้าค่ะใช้ปัญญามันอาจจะฟุ้งซ่านได้เนยเจ้าค่ะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่ะพระอาจารย์อือบคุณพระคุณเจ้าค่ ะ, ะคุณเอกเชียงรายอะไรนี่อยู่เชียงรายไมย่ไปไม่เจอคุณเอกเลยไปเชียงรา ย, ยาการนมัสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงมีอะไรไหมก็ วันนี้เข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับแต่ก็ปฏิบัติถึงในสัญชิกเกี่ยวกับอาจารย์ครับทุ้งวันพระเลครับตุ้งวันพระครับก็ก็จะแบ่งแบ่งแบ่งช่วงนะครับนั่งทีสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งสมชั่วโมงก็มันกําลังไม่ไหวก็ออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนในยบทนะครับก็นั่งต่อครับผมสลับไปสลับมานะอืครับวันนี้ก็สลับไปครับผม ก็เข้าเข้าสมาธิง่ายอยู่ดีอยู่ครับอาจารย์ทำพอได้ก็ลมหายเอ่ออนามาอนาปานสติก็ลมลมจมูกก็หายไปหายก็ว่างก็อยู่อยู่อย่างไม่มีลมไปครับอาจารย์ครับับไม่ต้องไม่ต้องไปควานหาหลมนะลมหายก็รู้ว่าหายไปครับผมรู้อยู่ที่เนือไม่ต้องไปเงี่ยเปลี่ยนที่ครับผมก็ที่ที่จมูกอะครับมันมันคล่องอ่ะ รอบแรกได้ก็เดี๋ยวรอบที่สองก็ถ้ามาอยู่ตรงนั้นก็มันก็นิ่งอยู่ตรงนั้นนะครับอาจารย์ครับครับผมพดายฝึกสมาธิให้ชํานาญให้จิตนิ่งให้สงบให้สบายครับแล้วค่อยไปทางปัญญาต่อไปครับผมโอเคธครับผมขอบคุณพระอาจารย์ครับขอให้ท่าขันพระอาจารย์แข็งแรงครับผมสาธุครับคุณหมอพัฒนา ค่ะก่อนน้ำมันสักการแต่พระอาจารย์ค่ะก็เองปฏิบัติสว่างเสมอค่ะก็ใ น, นชันจิตทุกวันพุธใช่ไหมคะก็ก็รู้สึกดีนะคะมีแรงแล้วก็หเหมือนปกติก็คือทําอะไรได้ปกติค่ะพระอาจารย์ <S <S นั่งนั่งรวนนะคะระแล้วก็แล้วก็ค่อยมาเดินพิปัฒนาตอนวัอนออกมาตอนตีห้าเพปกติตื่นตีสามถึงตีห้าอยู่แล้วไหมคะมันก็เลยกลายเป็นแบบมันก็เลยนั่งได้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นหกเจ็ดชั่วโมงได้ค่ะอาจารย์ แล้ว <dle> like, hmm. แล้วก็มีมีอันหนึงพระอาจารย์ก็คือรู้สึกว่าเออมันมันไม่ค่อยมันไม่มีอารมณ์ตั้งแต่ตอนที่ไปอยู่วัดป่าสารน้อยเดือนหนึ่งตั้งแต่กลับมาก็รู้สึกดีตลอดอาจารย์แล้วพอยิ่งนั่งมันก็ยิ่งรู้สึกดีค่ะอาจารย์อื hmm. สามารถที่จะเห็นว่าเออมันเป็นอย่างนั้นแหละได้ค่อะอาจารย์แบบมันมันเห็นไปไม่มไม่มันไม่มีอารมณ์ได้ค่ะีเดี๋ยวทําต่อแล้วเดี๋ยวดึกเดือนหนึ่งก่อนเราค่อยมาดูว่าจะทําอะไรต่อเพิ่มนะคะอาจารย์โอเคได้จุแล้วก็วกับาพูดตื้นค่พระอาจารย์ คุณสันนี่แบงค์กกขาวก า, ารนามสการค่ะอาจารย์วันนี้มาร่วมฟังธรรมเหมือนเดิมยังไม่มีคำถามค่ะโอเคเอเ็นบีทีคุณโอ๊คพูเกิตคุณโอ๊คน้องกลับนามสกันทัพอาจารย์เจ้าค่ะเาาสียงเบาไหมเจ้าค่ะอาจารย์ได้ยินชัดเจนเจ้าค่ะ ของหนูก็ยังมีฝึกนั่งนิ่งๆทุกวันพุทอยู่เจ้าค่ะแล้วก็งดทานอาหารไปด้วยเจ้าคะ่ะวันนี้ก็ดีขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ฝึกนั่งนิ่ ง, งๆ่ะเจ้าคะ่ะก็คือเหมือนกับว่ากายมันจะเบาบ่อยขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะก็คือหนูจะมีเหมือนอาการเหมือนคนลื่นเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์พึทธแล้วมันก็จะเป็นบอกว่ากายมันก็จะเบา อยู่แบบนั้นเจ้าค่ะบางทีก็กายก็จะ ก, กระตุกนิดนึงแล้วมันก็จะกลายเป็นมันจะรู้สึกเบากายอย่างนั้นเจ้าค่ะอาจารย์มันจะเป็น่อยเวลาเรื่องร่างกายไม่่อยสําคัญสำคัญที่ใจเจ้าค่ะช่วยให้ใจเบามากกัายจะเบาไม่เบาไม่กป็น ไ, ไ, ไรนะคะใจก็ดีขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์พอพอกายเบาแล้วใจก็รู้สึกว่ามันก็จะไปทุกข์กับร่างกายน้อยงลงแะไร่งนี้เจ้าค่ะ พอเราไม่ค่อยได้ใช้ร่างกายช่วงที่ฝึกนั่งนิ่งๆใช่ไหมจ๊ะค่ะอาจารย์เหมืความวุ่นวายใจต่างๆเนี่ยเวลาให้เราใช้ร่างกายเนี่ยมันก็จะใจมันก็จะวุ่นวายตามไปด้วยใช่ไหเจ้าค่ะแต่พอฝึกได้ฝึกนั่งตรงเนี้ยรู้สึกว่าความวุ่นวายหรือว่าความทุกข์ที่มันมันเกิดจากการที่เราต้องไปทําอะไรเพื่อร่างกายเนี่ยมันค่อยเหมือนจะน้อยลงนะเจ๊ะค่ะอาจารย์อนะคะโอเคไม่มีอะไรนะอื้อ อ๋ออย่างนี้ก็คือเวลาอย่างกายเบานี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กควรจะก็คือดูดูที่กายเบาหรือว่าบริกรรมต่อไปอย่างนีเจ้าค่ะก็บริกรรมต่อไปอยไปสนใจเรื่องร่างกายเจคะสนใจให้จิตทำใจให้จิตเหมือนวันนี้คืออย่างลูกนั่งไปประมาณหกชั่วโมงใช่ไหมใช่ไหมตอนแรกสี่ชั่วโมงเนี่ยเหมือนช่วงสีชั่วโมงแรกเนี่ยมันจะมีความง่วงเข้ามากลวนเจ้าค่ะอาจารย์ทั้งที่ลูกก็ ไม่ได้ทานข้าวนะเจ้าคะวันนี้มันก็จะมีสประงบไปบ้านเหมือนกันเจ้าคะ่ะแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊สเรานั่งต่ออีกสองชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ย น, นั่งต่อไปอีกตอนแรกก็ยังไม่ได้กําหนดอะไรมากเจ้าคะ่ะแต่พอนั่งไปสองชั่วโมงหลังเนี่ยอยู่กับพุดโธได้โดยที่ว่าไม่ได้รู้สึกติดอัดเหมือนเมื่อก่อนนะเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ตั้งแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เริ่มจะจะพูดโธได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกติดอัด น, น, นี้เจ้าคะ่ะเอืมนี่ยเคะก็ เดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเจ้าค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่สิบแปดจ้าค่ะขึ้นเขาโอเคก้าวเดินจ้าค่ะแล้วเทีนี้ไม่มีอะไรแล้วจ้าค่ะขอขอบคุณอย<า> <fan. S 1> ่างสงจ้าค่ะสาธุสาธจ้าค่ะบิยมาเจนีวาอ่าพูดได้เลยค่ะนวัตชการค่ะพระอาจารย์เออ อ, อ, อาทิตย์ที่แล้วก็ดีติภุระเรื่องบ้านก็เลยไม่ได้เข้ามาฟัง่ะเออ พอดีกลับมากลับมาจากวัดก็ดีค่ะแต่พอเห็นสภาพาบ้านแล้วอยากจะเก็บกระเป๋าขึ้นวัดต่อครับอาจารย์ก็ทำบ้านให้เป็นวัดก็เหมือนเรื่องใชไม่รับก็อยากจะทองแต่พอดีว่าจะตั้งตัวเป็นเจา้าวาดแล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหามันไม่ตามครับอาจารย์ก็จัดจะมาห้องเราแล้วกันห้องเราค้าเป็นวัดแล้วกันห้องคนอื่นก็เรื่องของเขาไปได้ครับอาจารย์ก็ยังไม่ได้ปฏิบัติขอยอมรับเลยเพราะว่า เดี๋ยวเรื่องบ้านมันยุ่งยากเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาซ่อมบ้านมาทําอะไรด้วยก็เลยต้องเตรียมผองอยู่อืแต่ว่าที่ที่สังเกตเห็นคือว่าที่พระอาจารย์บอกเขาที่แล้วสองที่ที่แล้วบอกว่าให้พุโทโธพุโทโธเนี่ยมันเหมือนสเต็ปเดียวกันกับนั่งสมาธิเลยอาจารย์เพราะว่าถ้าถ้าไม่พุโทโธปุ๊บมันเราจะไปอยู่กับความคิดแล้วความคิดนี่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเป็นนิสัยส่วนตัวหรือมันเป็นทั่วไปนะคะรัะอาจารย์คิดคิดดีๆไม่ค่อยได้ชอบคิดอะไรแบบ ไม่ค่อยดีอะทางลบอ่ะพ่อจ๋าอืมเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยกิเลสมันชอบเึ่งเราไปคิดในทางที่ไม่ดีถ้าถึงนั่นงคอยห <ใช S 1> ย, ยุดความคิดเนี่ยค่ ะ, คะก็ปฏิบัตกิก็แล้วก็ถามนิดหนึงค่ะพ่อจ๋ามันเป็นไปได้ไหมคะที่เราสามารถทํานั่งสมาธิแล้วแบบทั้ง ท, งที่เรายังลืมตาอยู่ได้คือความเชืว่ามันนี่งแต่มไม่ได้นานนะพ่อจ๋ามันไม่มันไม่เน้นน่งเต็มที่เท่ากับเราเวลาปิดตา ค่ะเพราะว่าพอดีมันมันมันมันเป็นขึ้นมาเองแล้วหนูไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอาจารย์แตคิดว่าเป็น น, น่าจะเป็นสมาธิเพราะว่าเอ อ, อะไรนะคะเหมือนเราดูลมหายใจเราอยู่ตรงหน้าอกแล้วทุกอย่างข้างหน้าเรามันนิ่งแต่มันได้แค่แป๊บเดียวอาจารย์เพราะว่าที่ทําคือพอหลับตาแล้วมันฟุ้งชาติก็เลยลืมตาขึ้นมนนาเนาะอาจจะเป็นคาิกาได้คณิกาสมาธิช่วงแวบหนึ่งนะสงบช่วงแวบหนึ่ง อ่าค่ะปพอดีพี่ที่นับถือที่เขาปฏิบัติธรรมนานๆเขาบอกว่าถ้าวุ่นวายนักก็ให้ไปนั่งที่โบสถ์ะพอดีบ้านใกล้ๆโบสถ์เงียบดีแล้วไปนั่งฟังธรรมไปอะไรก็ถือว่าดีแล้วก็บทคิดนะบทคิดนะบทไทยบทคิดค่ะพระอาจารย์ไปก็นั่งฟังของหนูแต่ว่าก็เกรงใจเขาอยู่บางทีเขาก็ไม่เข้าใจว่าเราเข้ามาทําอะไรทีเขาก็เดินมาดูเราอืม แต่ว่าโบดไม่ค่อยมีคนไม่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหรเ่เป็นที่สงบเป็นที่เงี่ยมดีใช่ค่ะพระอาจารย์แล้ไม่วุ่นวายไม่มีใครมานั่นอะไรเลยยกเว้นแต่ว่าเขามาดูฉเฉยๆเผื่อมีไม่ใช่เชิญขโมยแต่ว่าเขามาเขาอาจจะสงสัยว่าเราเข้ามาอะไรทําอะไรนันานๆเฉพาะในโบสถ์แล้วก็เอ่อพระอาจารย์ถามเรื่องธรรมะทั่วไปได้ไหมคะพระอาจารย์ได้จะถามว่าตอนพระอาจารย์ปฏิบัติเนี่ย พระอาจารย์มีสภาวะเยอะไหมคะพระอาจารย์เป็นยังไงสภาวะอย่างไงหมายถึงว่าเมื่อทีเห็นแสงเมื่อทีเห็นอะไรแยกอ๋อไม่ค่อยเห็นไม่ไม่ค่อยมีแล้วอนเราเมื่อเช้าอ๋อพระอาจารย์นิ่งมา่อตอนเลยนิ่งว่างเขอว่าไม่เห็นอะไรเลยแล้วอย่างพวกถ้ามีสติถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ค่อยเห็นถ้าไม่มีสติฮะตัวกิเลสมันจะโป่งสังเกตมาหลอกเราทั้งหมดนะอับเพราะว่า แล้วจะถามคือว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ว่านั่งไปนานๆแล้วมันแบบมันมีความสุขว่าโอ้มันสุขมากมันอยากมันอยากจะกระโดดเข้าไปกอดเข้าไปแล้วหนึ่งไม่เข้าใจว่ามันเป็นเราคิดไปเองหรือมันเป็นแบบว่าคือมันกลายเป็นให้ลักษณะแบบหลงไหลไปในนั้นเลยค่ะก็เลยเอกใจขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเราสงสัยด้วยว่ามันคืออะไรอ่อาจิตสงบมันก็มีความสุขนะ บภาพนั้นก็เป็นสภาพที่เป็นความสุขที่น้ว่าความสุขทั้งปวงเลยแต่ว่ามันมันคล้ายๆแบบเราหลงไหลไปเลยนะคะพระอาจารย์ชอบแบบชอบมากหองไหลแบบหลงไหลแบบนี้ก็ไม่เสียหายไม่มีพิมพ์มีไผ่ <c oughs> อย่าไปหลงไหลกับเพชรเรนจินดาของผู้เฝยกระเป๋ารองเท้านะไอของพวกนั้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ ความสงบนี่มันไม่มีมันไม่มันไม่เป็นทุกข์มันม้เป็นมนแต่ความสุขค่ะพระอาจารย์ไม่เแล้วก็ไม่มีคําถามแล้วค่ะที่นี้เข้ามาฟังธํามนง่คือพอสองอาทิตย์ที่แล้วออกไปออกไปฟุ้งเลยพระอาจารย์ธรรมดาเราต้องทํางานรึเปล่าเราเราเป็นแม่บ้านเราทํางานค่ะพระอาจารย์ทํําทางานด้วยเหรอทํางานค่ะแต่ว่าเป็น freelance ค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบนั่นไม่ได้หวือหวาอะไรทำไปเรื่อย อันนดยแต่ว่าทําไปเรื่อยๆพอเพื่อนโยนงานให้ปุ๊บกระโดดคว้าเลยค่ะอาจารย์ยังนึกในใจนี่เนี่ยทำเรื่อยๆอลงไปได้ก็เลยแ ต, แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้พระอาจารย์ตั้งแต่ปฏิบัติทำมาไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นเป็นไบโพล่าค่ะอาจารย์หมายถึงว่าถ้าไม่ใช่ไบโพล่าหมายถึงเปลี่ยนุคาลิคไปเพราะทำมาก่อนนี่แบบโอหดุดันเอาเรื่องห้าร้อยแรงม้าค่ะอาจารย์ Mm hmm. แต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกเฉยเยไม่ค่อยอ่อนโยนลงอ่อนโยนลงไหด้วยค่ะมี mm hmm. ทุกผู้คนชอบทักว่าเออเป็นคนใจดีนะ mm hmm. เป็นคนเย็นนะ อ, อะไรอย่างเงี้ยทั้ง mm hmm. ที่เราบอกเอออาจจะเป็นธรรมะที่เราช่วยบำบัดแต่ว่านี่สาวจริงๆเป็นคนใจร้อน mm hmm. เป็นคนแบบบุ๋มบ่ามมากสมาธิทำให้เราใจเย็นลนงะแต่ว่าพระาอาจารย์ อีกอย่างหนูสังเกตตัวเองถ้าเกิดกินดีอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้าถ้าให้ต้องเดินเยอะเยอะกินน้อยๆยนี่ปฏิบัติดีกว่าค่ะพระอาจารย์ตอนไปอยู่วัดเนีนยอี่มนี้นพีมานะมันขี้เกียจเลยมันอยอย<า>่างเนี้ยอต้องกินน้อยน้อยพอให้มันหิวนิดๆมันก็จะได้ไม่ขี้เกียจค่ะพระอาจารย์เพราะว่าก่ตอนที่อยู่วัดพอดีเดินไปเอาของให้พระอาจารย์เขมรศิริแล้วเดินไปสิบสี่กิโลเมตรแล้ว ตอนกลับมาคิดว่าโอหถ้านั่งสมาธินี้ต้องหลับคาแบบพอแบบแป๊กไปเลยแต่ไม่เลยครับพระอาจารย์แล้วมันนิ่งแบบมันไม่ไปไหนมันนิ่งแบบว่าตัวนเองหนูยังตกใจแล้วเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ ท, ท, ท, ทั้งๆที่เราก็เหนื่อยมากนั่งปฏิบัติจริงๆมักจะต้องให้มันทุกข์ยากทางร่างกาย ห, หน่อยมันจะได้ไม่ขี้เกียจมันจะได้มีพลังเพราะเวลาทุกข์ยากจิตมันต้องต้องปรับตัวให้สู้กับความทุกข์ยากลางบาก มันก็ต้องปรับสติให้มากขึ้นดีแล้วล่ะจะนําไปปฏิบัติอย่ากินมากถ้าอยากจะปฏิบัติพระไฟ่เถิดเราอย่ากินมากอย่านอนมากตรตัวนี้ตัวไปตัวกิเลสไปนอนไม่กลัวพระอาจารย์ตัวกินนี่แหละก็กลัวเอาไมาเดี่ยวเอาไว้ที่โต๊ะนะคะพระอาจารย์ ถ้า <c oughs> อยากจะปฏิบัติเดียวมื้อเดียวกินมื้อเดียวพ อ, อถ้าอาจารย์มันมันเป็นที่สถานที่จริงๆอันนี้นยอมรับนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าไปวัดเรื่องกินเรื่องนอนไม่ค่อยมีปัญัาเท่าไหร่ไปสถานที่ที่อ๋อทุกคนอ๋อทุกคนก็ทําเหมือนกันเลยกินน้อยด้วยอด้วยค่ะแล้วแล้วเขาไม่มีแบบว่าคือเขาเรียกอะไรไม่มีเอ่าสิ่งล่อตาล่อใจครัใช่ อยู่บ้าตตนเราเนี่เดี๋ยวก็ตู้เย็นอะไรตู้ขนมเก็บไว้ตามนินชักรียกปอนโดห่าจริงๆแม้จแฟนหนูเอาเอาขนมไปซ่อ น, นยังมีความสามารถหาเจอได้อยู่ตรงไหน อ, ไองไรยังไงกิเลสมันเก่งนะกิเลสมันเก่งไม่รู้ว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะแล้วแกก็ชอบเอาไปซ่อนเพราะว่าแกไม่ไม่อยากให้กินสนมวานนะบอกไม่มีประโยชน์ให้กินผลไม้แทน เราก็ <Okay. S 2> ไม่ค่อยชอบก็เลยโอเคตอนนี้ขออนุญาตนะิสาธุค่ะสาธุค่ะวันนี่คุณแนนต่ออูนอรทธานีานรเมแการพระอาจารย์ไม่มีคำถามเจ้าค่ะเป็นนินดอนเบอรีแลนด์นมเสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ mm hmm. อันนี้ก็ไม่มีคาถามเหมือนกันเจ้าค่ะ <Yeah. S 2> มาฟ ร่วมฟังธรรมค่ะตอนนี้การเมืองที่สาลัฐกำลังร้อนขึ้นแลยนะค่ะอาจารย์ทะเลาะกันใหญ่เลยค่ะใน Facebook ของเพื่อนคนฝั่งหนึ่งก็เชียร์คนเราฝั่งได้คู่แข่งที่พอๆกันนันนะค่ะมีหลายแบบเลยค่ะอาจารย์ก็สนุกดีเราก็เราก็ตามดูเท่านั้นละค่ะอาจารย์อาจารย์สบายดีนะคะ ค่ะค่ะ ว, วันนี้ห น, นูก็มาร่วมฟังธรรมค่ะนะจุ๊บจุมาเลต้าจมาเลมุตตกาตเขาธรรมอตามหลวงพ่อค่ะหลวงยังปฏิบัติอยู่อก็ไม่มีอะไรปฏิบัติสงบดีค่ะสงบใช้ปัญญาพิจารณาอยู่ด้วยเลยค่ะแล้วพอพิจารณากายอ่ะค่ะหลวงพ่อมันมันจิตเราไม่ค right. ่อยอยากออกไป ไปรับเหมือนมันมาตัดข้างนอกออกไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อ mm hmm. คือไม่ต้องไปรับรู้เรื่องเรื่องที่ข้างนอกอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนอื่นเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี้ยจิตมันก็สงบสงบแล้วเวลาจะมีคนเอาเรื่องมาให้อะ่ะหนูก็จะตัดเลเหมือนแบบเราไม่รับอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อ mm hmm. แล้วใจมันก็สงบอะ่ะสงบไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อดีอะ่ะอย่างเมื่อคืนหนูก็นั่ง ไปแบบจะไม่ยอมนอนแบบมันเหมือนมันดีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนเที่ยงคืนกว่าอย่างนี้ะคะหลวงพอ่อสงบสงบดีมากค่ะหลวงพอ่อและยิ่งพิจารณาหนูพิจารณาไม่ใช่แค่แบบตอนแรกเข้าใจว่าอาการสามวิสองแต่หนูหนูลองพิจารณาไล่หมดเลยะลอะค่ะหลวงพอ่อพอหลับตาพิจารณาตั้งแต่ผมเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากหนัง หนังหนังหนังตัวหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพอ่อแล้วค่อยๆลอกลงไปทีละอย่างทีละอย่างอือหูแบบจิตมันนิ่งมันสงบแบบยิ่งทํายิ่งดีอ่ะค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วพอเราออกมาจากการที่เราพิจารณาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนใจเราละใจเราวางไม่ไม่ไมปร้อนไม่ไปรับเรื่องอะไรหนูเพิ่งจะเข้าใจว่าอ๋อถ้าจิตมันออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะไม่ มันเหมือนมันไม่สงบอย่างเนี้ยค่ะพอพอเราเห็นแบบเนี้ยมันเห็นความแตกต่างว่าถ้าจิตเราอยู่ข้างในอ่ะค่ะของพอมันมันสงบ ด, ดีแล้วมันก็ไม่วุ่นวายเห็นเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็ตอนที่พิจารณาเห็นตัวเองที่สมมติว่าเราเรามองว่าเราลอกเอาหนังออกทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนร่างกายเราเป็นสิ่งของแล้วก็จิตเราอ่อะค่ะมันเป็น เหมือนมันเป็นตัวที่ที่สั่งเราอ่ะค่ะหลวงพ่อสั่งแล้วแล้วมันโอ้โหแบบเหมือนจิตมันหลงนะคะ่ะหลวงพ่อที่ที่หนูเห็นอะจิตมันหลงว่าเราไปยึดตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนมันเออหลงหลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปยึดไปอะไรมาเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อมันเห็นเห็นแบบนี้นะคะ่ะ แล้วมันก็ทำให้ใจเราวางสงบไม่คือไม่ต้องไปเก็บอะไรมาแบบมาทุกมาอะไรเ ง, งี้ยทั้งๆที่มันก็มีมีเรื่องมีอะไรมาเงี้ยมันสงบ <Okay. S 2> มากมากโอเคปล่อยวางนะมค่ะหลพ่อ okay. ไม่มีอะไรแนละ้วใช่ไหมไม่มีแล้วคะ่ะปฏิบัติต่ <Hey. S 2> อค่ะปฏิบัอย่างนีินดี a n c e r สวัสดีค่ะท่านอาจารย์นูกไม่ีคําถามค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมค่ะท่าอาจารย์แล้วก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอลสองเต้ท่านดังอ่าขอบคุณด้วยนะค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณทนะ่านดังอย่างสูงค่ะขอบคุณน้องลุกน้องลุกเอ็น้องลุกใช่ไหมเชื่ออ่านว่นายะะังไรเอ็นมาสการค่ะ น ong รักค่ะอ่าน ong รรักอ่าเอ่าเข้ามาครั้งที่แล้วครั้ง mm hmm. แรกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเ mm hmm. อ่อครั้งเนี่ยพระอ่าได้นําเรียนพระอาจารย์ว่าอืมสามารถที่จะเข้าไปถึงอุเบกขาได้เอ่อตอนนี้เนี่ยก็ทำวันนั้นอนะ่ะพอได้คุยกับพระอาจารย์เนี่ยมันมีความฟุงฟ้งนะมันปิดติดอ่ะ mm hmm. แต่ปิติด็จก็ต้องทําตามที่พระอาจารย์บอก ก็เพิ่มเวลาในการที่ปฏิบัติมากขึ้นแต่จริงๆอ่ะใช้พุโทโธตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็แทนในการทำงานแต่ละวันเพราะเป็นเครื่องการเกษียณอยู่แล้วและคราวนี้ก็มีความตั้งใจอยู่แล้วว่าจะบวชจะบวชีแต่ก็วางสเต็ปไว้ว่าปีหน้าก็เลยนิดได้ว่าที่แปดมว้วอ่ามีวัดป่าสุขใจของหลวงพ่อสงบ วันนี้ก็เลยติดต่อไปที่วัดก็จะไปปฏิบัติธรรมที่นั่นครั้งแรกเนี่ยเขาให้ไปสี่วันก่อนค่ะแต่คราวนี้เนี่ยลูกเนี่ยติดปัญหาอยู่จุดหนึ่งว่าอพออุเบกขาเนี่อุเบกขาได้ดีมากระ ว, วังเฉยได้ดีมากแล้วในเวลาพิจารณาสักร่างกายสามสองประการเนี่ยมันก็ยังเฉยก็เลย ใช้วิธีว่านึกถึงพ่อแม่เพราะว่าตอนที่พ่อเสียรคุณแม่เสียเนี่ยเป็นคนจัดการในเรื่องของศพทุกอย่างก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายแล้วก็ได้มีตอนที่ทำงานเนี่ยทั้งพอดีทำงานพระนงานชนจะจะได้เข้าไป คารวะพระอาจารย์ไหลายท่านอย่างเช่นหลวงพ่อฟูหลวงปู่หุ่นเนี่ยหลวงตายงวัสดถ์เนี่ยพอท่าักสังขารแล้วได้เห็นตอนที่ท่านรักสังขารได้เข้าไปากราบสังขารท่านเนี่ยก็เลยมีความเฉินคราว น, นี้พอออกจากการนี่นี่คือปัญหาว่าพอพอพ้นจากการพิจารณาสามสองประการแล้วเนี่ยเออ่ควรจะไปยังไงต่อดีเจ้าคะ คือต้องดูว่ามันมันตัดการอารมณ์ได้ไหมเวลาเรายังมีการอารมณ์อยู่หรือเปล่าตัดได้ก็คือในส่วนของต่มอารมณ์ในของความอยากมีอยากเป็นอยากได้เนี่ยอันนี้นะมันตั้งหมดแล้วแล้วมันจะเฉยแต่มันก็จะมีความอยากบางตัวนิดนิดแต่ก็จะเฉยนะตอนนี้ในอารมณ์ที่เวลาไม่ได้กรรมฐานก็เฉยอารมณ์ในกรรมฐานก็เฉย ก็ต้องดูว่าตอนนี้เราทุกกับอะไรยังยังมีทุกข์อะไรอยู่หรือเปล่าก็ต้องพิจารณาดับความทุกข์นั้นให้ได้สิ่งหนึ่งเนี่ยคือจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าคนที่บวชได้หรนูบวชเลยนะเพราะหรูกะหนูตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นแล้วแต่แต่ติดอยู่นิดนึงเลยพระอาจารย์คือตอนที่จะเกษียณอายุปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสได้ไปกราบถลาประเทศแล้วเออ่ ท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าดีใจที่เกษียณแต่ต้องทําประโยชน์ให้สังคมเอตัวลูกเองเนี่ยเลยมีช้อยอยู่สองช้อยก็เขาว่าให้หนึ่งอยากจะเตเป็นจิตอาสาโครงการธรรมทูตที่ศรีลังกากับอันที่สองเราจะโบชีไปเลยเนี่ยแต่เราก็คิดได้ทั้งโบชีแล้วก็ทําประโยชน์ให้สังคมนะนี่คือถูกจรจังถูกต้องทํารื่ดีกว่าด้วยทั้งหมดโนชี อก็คิดอย่างนั้นเลยค่ะก็เลยว่าได้ที่สุดก็วัดตาสุดใจแล้วก็สิ่งหนึ่งเนี่ยตามหลวงพ่อเนี่ยยังวันนี้เนี่ยหลวงพ่อพูดอในช่วงไัยสองนะพูดถึงการสอบตายซ้อมในเรื่องของการที่จะเจอเหตุการณ์จริงก็เอากลับมาพิจารณาแต่ไม่มีโอกาสคือเคยแต่วิจารย์นะแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังทำเพราะจะไปหาหลวงพ่อที่ไหนคิดว่าเงินค่ารถเอาไปทำทานดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะแยะ สื่อเยอะด้แล้วก็ได้ฟังหลวงพ่อทั้งวันอาทิตย์แล้วก็ฝัดของัแล้วก็พยาในตอนนี้ตั้งใจที่จะมาเจอหลวงพ่อเพื่อว่าจะได้มีกำลังใจในการปฏิบัติ ต, ต่อไปแล้วก็คิดว่าตัวเองก็เลือกทางที่ไม่ผิดแล้วก็อาทิตย์นี้เนี่ยก็วางแผนคือคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่อ่าตอนนี้มาตั้งแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยจะกลับไปแปดริ้วแล้วจะไป ป, ะปฏิบัติ ท, ที่ว่าสุดใจมีความรู้สึกว่าเฉย ได้มีความเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นและอาทิตย์นี้เนี่ยก็ได้ทำทานเนาะไม่ทำทานแหละให้กับน้องๆใ น, น, นที่ทำงานเดิมซึ่งเขามีปัญหากันในโลกฝั่งเพื่อนร่วมงานเรื่องอะไรเงี้ยก็ให้แน่คิดเข้าไปโดยใช้คำพูดขององพ่อก็ไปได้ไปได้ดีอืมโอเคก็ okay. ดีมากใปฏิบัติไปทำใจให้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้ทุกข์กับอะไรก็แล้วกัน หากก็จะถ้าหลวงพ่อใชีนน้แนะว่าเอยเราไม่ต้องทุกข์เราจะทประโยชน์ได้สังคมไม่ว่า อ, อยู่ในสถานะใดานี่ก็คือไม่ทุกข์แรงล้วก็คิดว่าน่าจะเลือกอคิดว่าตัวเองเลือกทางเดินที่ถูกต้องแล้วว่าอเออลองไปกับหลวงพ่อสงบพอกัดมาเออ่แล้วจะกลับมาละหึงหลวงพ่อฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวการขอให้หลวงพ่อมีท่าทางที่แข็งแรงนะคะอขอบคุณใจ พัทยา้องกลับนมาส ก, การค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรคะ่ะมาร่วมรับฟังธรรมค่ะกินแปะตลอดเลยทนะั้งวันจ้าเลยใช่ค่ะพระอาจารย์ก็กินมื้อเดียวอย่างที่พระอาจารย์สอนก็ได้ค่ะพระอาจาร ย, ไายนะ์ไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายค่ะพระอาจารย์แต่มันกินได้น้อยลงหนูก็ยังแปลกใจว่าทพรา ข้ามันเล่าหดลงเลยพอกินน้อยลงแบบกระเพาะมันก็จะหดลงไปเลยเลยแต่มันเจี๋ิวมากตอนเย็นนะคะว่าจ่าแต่ว่าตอนจริงมันหิวที่ใจไม่ได้หิวที่ร่างกายหรอกนั่นแหละค่ะอแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้กินอะไรอย่างอื่นคะนอกจากน้ําอย่างเดียวเลยค่ะวอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติตอนกลางคืนก็นั่งสมาธินั่งสมาธิทุกวันนะคะจม่ทุกวันไม่ไม่ง่วงไม่หลับนะ สบายก็ก็ง่วงอยู่แล้วพ่อจันแนง่วงอยู่เลยสิ <S <S ใช่ค่ะพ่อจย์แต่มันก็ก็ทําทําได้ทุกวันมากกว่าเรากินสา ม, มื้อค่ะพะ่อจารย์กินสา ม, มื้อจะง่วงมากกว่าก็จะไม่ค่อยได้ทําแต่ว่าพอ <S <S พอในพรรษานี้ก็ตั้งใจว่าจะทําทุกวันก็พยายามทําอะค่ะพะ่ <S <S อจันอืมอาจจะเป็นเพราะเราทํางานเราเหนื่นอยก็ได้มันก็อาจจะง่วงได้ ใช่ค่ะพ่ออาจารย์แล้วที่พระอาจารย์บอกว่าให้นอนให้นอนกระดานเอให้นอนพื้นมันไม่สบายมันมันจะเตะเร็วของหนูนอนมาเป็นปีๆแล้วมันก็ยังหลับสบายสบายเกินเดิมอีกพระอาจารย์ทาไงดีอ่ะก็นอนต่อไปนะนอนเพื่อนนะพ่ออาจารย์ออนอนพื้นไปนอนตะแคงขวาดูอย่าอย่านอนหงายยอมนอนตะแคงอยู่แล้วค่ะพ่ออาจารย์นอนหงายนอนไม่หลับ นอนท<ะ>่าสีหาสา ย, ยานอนตแอะแคงขวาาค่าาะไม่สบายถ้ามันนอนมากก็ตั้งนาฬิกาปลุกปลุกมันก็นได้หลับต่อกดมาปิดหลายครั้งแล้วอาจารย์พยายามตีสีพยายามงเงี้ยออ่าแล้วก็เผอก็กดกดไปก็คืาว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาใหม่ลองพูดโทก่อนตื่นมาปุ๊บ ก, ก็พูดโทพูดโท พูดถอยยังไงไม่รู้หลับต่อไปเฉินตีห้ามาดลุกขึ้นมาเดินอย่าอย่านอนลุกขึ้นมาเดินใช่ค่ะพยายามค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ก็ดีค่ะมันก็มีกําลังใจรู้สึกว่าตัวเองเย็นขึ้นนะคะเย็นขึ้นไปเดิมแยอเลยก็ดีค่ะธรรมะของพระอาจารย์ช่วยได้เยอะเลยค่ะพระอาจารย์อเด็กของพุทธเจ้าเราไม่ได้เป็นของเราเราขอพุทธเจ้ามาฝาก นะคะถ้าไม่มีพระอาจารย์มาสั่งสอนนิยมก็ก็เป็นคนที่แบบขี้เบียเบ่ยงขี้วีนขี้โมโหเหมือนเดิมทุกคนคงไม่รักอาอาจารย์อตอนนี้รู้สึกว่าเออนัน้องหรือว่าคนรอบข้างอะก็รู้สึกว่าดีกับเรามากขึ้นก็เป็นกันเองมากขึ้นนะครับอาจารย์อ่าดีม า, มากเลยจย้ะโอเคทําต่อไปนะนะคะพระอาจารย์กราบขอบพรนะคุณมากเลยคุณมาริการาลาที่ว่า น้ำมัตการเจ้าข่ารพระอาจารย์ก็ตอนนี้ลูกก็พยายามพิจารณาอารมณ์นะคะพระอาจารย์อารมณ์ที่แบบที่เกิดขึ้นในในชีวิตประจําวันนะคะเพราะว่าการปฏิบัติของลูกมันบางทีมันอยู่ว่าเป็นคนที่ว่าอารมณ์ร้อนเป็นคนที่อารมณ์ร้อนก็พอพยายามที่จะมาสังเกตแล้วพิจารณาให้เห็นว่าเราต้องตัดยังไงเช่นเกิดขึ้นจแบบ บางทีเกี่ยวกับสัตว์ะเราผอาจารย์ส่วนใหญ่ก็คือตัวมดตัวมดคันน่ะเอาผ้าจาย์พอยุคปฏิบัติอะไรอะไรมันก็าบาปบาปทั้งนั้นนะคะว่าอาจารย์ข้ามมดก็บาปโนุ้มก็บาปพูดพูดพอเจอก็บาปคิดขณะได้คิดก็บาปทําทําให้จิตตรงนี้มันเกิดอารมณ์มันมันเป็นภาวะที่ว่ามันเครียด ส่ะพระอาจย์มันเกิดความเครียดขึ้นมาก็เลยเพราะว่าพอนึกถึงคําสอนของพระอาจารย์ก็ได้นึกว่าอืมเราต้องพูดโธนะพูดโธให้ได้แล้วก็ตามมันไม่ได้ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็วอย่ามาคิดแล้วก็อารมณ์ของเราแล้วก็ก็สงบเย็นลงก็เย็นลงก็คือปล่อยไปตามสภาพอ่ะยอมรับความจริงตรงนั้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็มันก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์รู mm hmm. ้สึกว่ามันดีขึ้น โอเคถูกต้องถ้เครียก็ต้องกลับมาหาสมาธิหน่อยทำใจให้สงบก่อนค่ะเจ้าค่ะก็สัวนใหญก็จะแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเกิดอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นถ้าสมมุติว่าเราไปปรุงแต่งมากเราก็ทุกมากดังนั้นเขาก็พยายามที่จะให้อยู่กับตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายามทําห้รู้เฉยเฉยใรู้เฉยเฉยไปอย่าไปคิดมากแล้อาจารย์ก็ดังนั้นก็พอ พอได้ทำมาจุดนี้ก็ก็พยายามที่จะแต่นะแต่ว่ามันค้่องจงหนึ่งพระอาจารย์ว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นทำโน้นก็บาปทำนี้ก็บาป ก, ก็คิดเอคิดคิดเอนเะนียอย่าไปคิดสิมันไม่บาปหมดหรอกบาปมีอยู่คยแค่ตัวใหญ่ๆแค่สีตัวข้าสัตักทรัพย์ประพฤตผิดประเพณีพูดปลดค่นัดนเองก็คือถ้า ถ้าเราแบบแบบอยู่ในศีลให้ได้แบบบริสุทธิ์มันก็มันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรกับตัวเราใช่ไหมครับอาจารย์อ่ก็นั่งสมาธิมันก็จะมีศีลในตัวนั่งสมาธิก็ไม่ทําอะไรไม่พูดอะไรอยู่แล้วเจ้าค่ะอาจารย์สาธุเจ้าค่ะลูกไม่มีคําถามแล้วนะว่อาจารยอ์อาจารย์สายที่เชิญค้อนแก่นใช่ไหวันนี้ นำ้ำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่ขันแก่นเจ้าค่ะอไปไปมาค่ะพระอาจารย์วันพุธมาอยู่บ้านค่ะรหัสข้างหน้านี้เป<า>็นอะไรเป็นรหัสประจำตัวจริงจริงๆเลขผิดนิดนึงเป็นรหัสใบประกอบค่ะพระอาจารย์ <laughs> ยังไม่ได้แก้ค่ะยังไม่ได้ลบออกค่ะรหัสของใบประกอบโลกศิลปะค่ะอ <laughs> เดี๋ยวต้องลบออกเป็นบมอด<า>้วยเลยอะไรนะคะ เป็นหมอหรือเป็นเภสัชเภัชกรค่ะอาทิตที่ผ่านมากิเลสสมานตัวร้ายโผค่ะพระอาจารย์มาแล้วเลยเชื่มนแล้วหนูหนูหไปวินชาวบ้านชาวช่องไม่น่าเชื่อก็เหมือนเราพยายามทําสิ่งที่ดีแล้วก็เขาเขาเหมือนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อธิบายอธิบายกันไปอธิบายกันมาเหมือนเหมือนเหมือนได้ ปะทะคารลมกันนิดนิดแล้วหนูก็บนบ่ น, นบนบนไปบนมาหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยเองว่าให้ฉันทําอะไรของฉันอยู่วันนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เบรกหนูก็บอกว่าเดี๋ยวนะเบรกแป๊บหนึ่งแล้วหนูก็บอกว่าเออที่พูดถ่านมาทั้งหมดเนี่ยหนูหนูขอโทษเขาค<โ>งงงอะไรกําลังกําลังปิดปิดกันอยู่คนนี้เหนื่อยแล้วหนูก็กว่า เออหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหนูถึงพูดอะไรไปเยอะแยะขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่รีชติค่ะไม่มีสติสตอ่าแล้วพอได้สติก็ก็ชิงขอโทษเขาเลยค่ะพระอาจารย์ว่าที่ผ่านมาที่พูดผ่านมานี้ขอโทษเหมือนแบบจริงๆไม่ได้ตั้งใจ <laughs> ไปไปขนาดนี้แต่ว่าก็อ่าเหมแบบก็ก็บอกเขาด้วยนะคะพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวขอไปปรับทัศนคติตัวเองใหม่ก่อนอว่า สิ่งที่พูดไม่ดีเลยก็ก็คือเขาก็คงงงอยู่ค่ะแต่เขาก็เหมือนต่างคนต่างแก้ตัวต่างคนต่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ายิ่งพูด่งเราก็ยิ่งหนักเอ๊ะทาไมเรารู้สึกว่าให้เหนื่อยจังเลยไม่ไหวละอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่พอขอโทษหรือว่าขอโทษเขาเสร็จอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชี้แจงว่าที่พูดก็จริงๆเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นแต่ว่ามันมนมันมันไหลไป แล้วก็พอจบเราก็เหมือนเหมือนทุกอย่างมันโล่งเลยค่ะพระอาจารย์จากที่แบบเราก็คงขุ่นมัวอยู่ค่ะเราได้รู้จกัขจกขอโทษรู้จักขอโทษอันดีค่ะรับรับผิดล้วทุกอย่างมาเคลียร์หมดค่ะก็เลยเหมือนจบกับจบเรื่องไม่สบายใจเราก็ได้เหมือนได้ได้ชี้แจงซึ่งกันและกันอะเงีค่ะพระอาจารย์แต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีมเหตุการณ์นี้อีกเพราะเราก็เห็นใจเราแล้วว่าแบบนี้เราก็ จริงๆเราก็ไม่ได้ชอบที่เราเป็นแบบนี้เราก็ปอกก็ mm hmm. อยู่แล้วก็ไม่ได้ชอบขอโทษกลางอากาศเลยค่ะพระอาจารย์กาลังปิดๆๆโอ๊ยไม่ไหวละชิงขอโทษ mm hmm. ได้สติได้สติเข้ามาหลัง mm hmm. จากนั้นก็เหมือนเหมือนใจที่มันแอบคุนๆกันคุนๆเข้ามาเรื่อยๆพอจากตรงนั้นปุ๊บใจมันไม่มีอะไรค้างคาเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. เหมือนไม่มีเรื่อง หุดหงิดในใจอีกเลยค่ะพระอาจารย์มันก็เบาขึ้นแต่ก็เห็นความความความเลวร้ายของตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยนึกว่าเป็นคนดีก็ก็ก็แย่อยู่ค่ะพระอาจารย์ก็อย่าประมาทแล้กันค่ะเอี่ยพยายามต่อไปก็ให้มีสติมากขึ้นแล้วก็คงไม่ได้ไปแล้วก็มองถึงเรื่องความอยากให้เขาเป็นแบบที่เราอยากเป็นแล้วก็เข้าใจว่าเรา ผมไม่ไม่ไม่ต้องไปอยากเปลี่ยนใครอะไรเงี้ยค่ะอาจารยแก้ตัวเองต่อไปค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรงานเท่านี้ค่ะอาจารย์โอเคค่ะยังไงที่ท่านต่อไปคุณไอโฟนไอโฟนอยู่ไหนคุณ i ไอโฟนกราบมามาตการลงตาครับอ่าตาได้ยินเสียงผมไหมครับชัดเจน ตอนที่ผมจะได้รู้จักหลวงตาผมเคยนั่งสมาธิตามลำพังครับที่ผมกลัวความไม่รู้ของผมผมกลัวผมจะเสียสติโชคดีมากเลยครับที่ได้เจอวงตาครับคือตอนที่ผมหัดนั่งสมาธิ แ, แรกๆผมดูใน YouTube youtube ของหลวงตาพุทธทาภิ꾸ครับลวงตาเทศว่าถ้าเรานั่งสมาธิไปแล้ว จะเจอแสงสีเขียวหรือสีขาวให้น้อมจิตให้แสงนั้นเปลี่ยนรูปร่างไปตามที่เราต้องการผมก็เลยลองนั่งดูแล้วก็ทำตามที่หลวงตาพูดทำตามที่หลวงตาเทศนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าแสงนี้แสงสีเขียวที่ผมเห็นมันเป็นขึ้นมาจริงๆหรือว่าเป็นความปรุงแต่งของจิตก็เลยอยากจะเรียนถามหลวงตาว่า ผมควรปรับแก้ตรงไหนและผมควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรดีครับตรงตาครับไม่ควรไปสนใจมันาดนีสุ้กลับมาที่พุทโธหรือที่ลมหายใจที่เราใช้อยู่ดีกว่าครับท่านเองเพราะมันเป็นของของเราของง้อเรามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นด้านหน้าตามันไม่มันมาของมันแล้วมันก็ไปของมันเราไปควบคุมมันข้ามันไม่ได้หรอกไม่เกิดประโยชน์เลย ครับกลับมาที่พุทโธหรือว่ากลับมาที่ดูลมนะครับนะครับใช่เออต้กต้องเวลาภาวนาเนี้ต้องอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับลมไปเรื่อยเรืยเมื่ออะไรมมาปรากฏก็อย่าไปหลงตามมันครับอันเดี๋ยวมันก็จะหาใยไปเองครับขอบคุณดวงตาครับไม่มีแล้วครับสาธุครับให้ได้โยมแจนแจนเป็นยมแจนพิตสเบิร์ก ธรรมสการ์ครับอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะเข้ามารวมฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติทุกวันค่ะอาจารย์ดีมากขอให้เจริญเข้าหน้าลงแรงไปเรื่อยๆนะสาธุขอบคุณค่ะอาจารย์โอเครับคุณจี๊บต่อเลยยู่ติดกันธรรมการค่ะอาจารย์ได้ยินโยมไหมคะได้ยนินมาจากโยมแจน์ใช่ไหม ใช่เจ้าค่ะพอดีว่าเป็นน้องของที่ของเพื่อนอีกทีอะค่ะรู้จักผ่นเพื่อนแต่ก็เจอกันบ่อยอยู่ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะยมไม่ได้เข้ามากาพระอาจารย์สองอาทิตย์ก็พยายามพยายามปฏิบัติเท่าที่พยายามทําได้ก็ทําพานั่งไม่ได้ก็พูดโธรไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์บางทีก็ไม่รู้บางทีก็มีภาระนู่นนี้นั่นต้องทําบางทีมันถึงเวลาปุ๊บอ้า มาหลับไปเฉยเลยก็เลยไม่เป็นไรเราก็ตุ่มเตรียมของเราไปแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อนะคะพระอาจารย์ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะพระอาจารย์สบายดีนะคะทางนูร้อนไหมคะก็เหมือนไม่ไม่ร้อนมากช่วงนี้มันมีฝนตกอยู่เรื่อยๆที่นี่ก็ที่นี่ก็มีฝนปะปายเหมือนกันค่ะพระอาจารย์อากาศก็จะแปลกๆก็แต่ก็ไม่ได้กลวมาเยี่ยมเมืองไทยนะ โอ้พระอาจารย์พูพเราจะร้องไห้ยมอยากไปเมืองเมืองไทยปีหน้าเนี่ยค่ะยมแบบว่า<ม>ลูกชายก็จะไปมหาลาัยก็กะเนี่ยบอกบอกยังคุยกับสลินทอนเลยค่ะบอกว่าทั้งลูกชายเขากับลูกสาวยมก็จะไปมหาลาัยปีหน้าพร้อมกันก็เลยบอกว่าเราต้องจองตั๋วไปเมืองไทยพร้อมกันนะจะไปกราบพระอาจารย์เหมือนปีก่อนหนูนะคะพระอาจารย์ลูก<ม>ก็ขออธิษฐานว่าขอให้ได้ไปเพราะว่ามันต้องมาตกลงตาตารางเวลากับ พ่อของลูกอะค่ะว่าเขาจะให้โยมไปสัปดาห์ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะอืมก็อิฐานเจว่าเขาให้ได้ไปกับพระอาจารย์ปีหน้าก็ตั้งใจค่ะจริงๆอยากไปเองถ้าไปคนเดียวอยากจะไปตลอดอะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าบางทีลูกก็แบบแม่เขาอยากไปด้วยบางทีลูกก็ปิดเทอมไม่ได้ยังไม่ปิดเทอมอะไรเงี้ยค่ะอืพระอาจารย์มาที่นี่ก็ตอนนี้ตอนกำลังไงเนี่ยตอนนี้ยังยึด <peach> ย้ายไปย้ายไปยังไงเนี่ยเไปถึงแล้วเนี่ยคุยกันคุยกันเห็นหน้าตากันแล้วเนี่ยใช่คะ่ะพระอาจารย์เดี๋ยวโยมถ้ามีวิชาถอดจิตพระอาจารย์สอนว้งนะคะถอดจิตไม่ต้องเลยใช้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไปได้ท<ๆ>ั่วโลกเลยไปได้ค่ะตอนนี้ก็พยายา ม, มลดกิเลสอยู่ค่ะพระอาจารย์เวลาโยมโยบพระอาจารย์บอกให้กินน้อยๆโ ย, ยมก็พยายามทานน้อยๆแต่พอถึงเวลา เห็นลูกกินมือดึกเขากินกันแบบทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างี้ใ่ไหมคะเห็นเขาทานเหลือโยมก็แบบมันเสียดายของแ อ, <laughs> อยจะแบบว่ตามของลูกกินน่ะโยมแบบมไม่แน่ใจว่าถ้าปล่อยของเหลือนี้มันจะบาปกรรมไหมเนาะหรือว่ายังไงเราแบบไม่บา <ทำ S 1> หรไม่บาปหรอกกินอะบาปบาบมากกว่ากินมากกว่บไปทิ้งของของไป คือตัดใจทิ้งไปเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อเป็นนัำอะรก็ทิ้งไปหมดมันเป็นอันตรายกับจิตใจกับร่างกายของเรากินมากๆจริงๆค่ะว่าอาจารย์ยมแบบสามทุ่มเมื่อวานนี้ยังแบบมานั่งกินของเหลือลูกอยู่เลยบอกว่าโอ๊ตตายแล้ว่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณะคะขอพรอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะสาธุค่ะไี่กูเนงตูเง เป็นงไงครับอาจารย์ค่ะก็โหได้ฟังเพลินเลยครับพระอาจารย์ได้อะไรเยอะมากเมื่อตอนเย็นเมื่อกี้เนี่ยก็พาเด็กๆไปให้อาขนมป่าเพราะว่าเขาเขาร้องเขาจะไปแล้วทีนี้พอ ไ, ไปเขาบอกว่าไปทูตจ้าทูจ้าเราก็บอกว่าไม่ใช่วันทูจ้าทูจ้าก็คือเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ก็เลยขับรถวนไปเขาก็เลย อ้าวปิดเข้าไปเนี่ยเก็เลยกลับคับอาจารย์อืมเด็กๆก็เริ่มเริ่มเริ่มติดแล้วค่ะก็ไปไปตลอดก็พยายามพาเขาไปค่ะอาจารย์ปลดเข้าไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเริ่มเริ่มที่เจนนิ่งเพราะคนเล็กอะที่จริงแล้วเขาไม่นิ่งเลยนะคะอาจารย์เหมือนสมาธิสั้นเพราะว่าเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงดูคือด้วยโทรศัพท์แต่พอมาอยู่กับกับหนูก็เลยปรับเขา่ะค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ เขกลายเป็นว่าเรามีภาระเพิ่มขึ้นมันจะมีสองสามเจนสี่เจนอยู่ด้วยกันอยู่ในบ้านอทั้งคนเก่ดว้วยคนรับแบบกันก็ปิดทางไม่กันค่ะพระอาจารย์หนูก็ได้เหมือนพระอาจารย์บอกอ่พี่คนหนึ่งไว้ว่าก็พยายามทําใจไม่ให้ทุกข์กับเรื่องอะไรหนูก็คิดอย่างนี้มาโดยตลอดค่ะ<ม>แล้วอยากจะถามพระอาจารย์ว่าคือช่วงนี้หนูไม่ได้สวดมนหนูก็เลยมา คือในทางสมาธิมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แต่ก็นั่งนั่งง่ายขึ้นแต่ทีนี้บางทีมันก็เหมือนหนุม่เป็นคนเหมือนตุ่มมีเหรอมีมีรอยรั่วคือได้มากไม่ได้มากแต่ว่าจะพยายามจเจริญสติในทุกเวลาตั้งแต่ตื่นนอนเหมือนที่พระอาจารย์บอกบางทีจิตก็ไปทางนู้นบ้างทางนี้บ้างแต่ก็คือพยายามดึงมาให้หลิวที่สุดแล้วก็ อยู่กับตรงนั้นต่อไปพอนึกได้ก็ไปต่อในเรื่องนี้ถ้าเรื่องงานเรื่องอะไรก็จะไม่ได้นึกถึงแต่เวลาพาเด็กไปเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเาพุโทโธพุโทโธไปด้วยกับก้าวย่างของตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเรายังปฏิบัติต่อไปได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ทําได้ทั้งวันเลยสตินี้จําเป็นทุกกรณีมันจ ะ, ะช่วยให้เรานั่งสมาธิได้สงบได้ง่าย ได้จริงๆค่ะพระอาจารย์ได้ง่ายมากเพราะว่าเวลานั่งอยู่ตรงไหนก็คือว่าบางทีเขาก็ถามว่าเอามองอะไรเราก็ไม่ได้ว่ามองอะไรนะคะ mm hmm. คื อ, ค อ, คอเราอยู่กับตัวของเราอะค่ะพระอาจารย์หนูพักใจโมงเนี้ยหนูพักใจเพราะว่าไม่พักใจไม่ได้มันเหมือนกับมีอะไรที่มาดึงเราแบบเหมือนอ่อะไรลุกถ่วงอยู่ตลอดเวลาขึ้นขึ้ น, นลงลงอะค่ะเพราะาเราเราอยู่จุดตรงนี้เราจะรู้เราจะรู้ว่า วิจัยเราเนี่ยมันจะต้องออ่พยายามให้ที่จะให้อยู่ในตรงที่เป็นอุเบกขาให้มากที่สุดนะคะ<ม>พระอาจารย์<า>ให้มันแกว่งอย่าให้มันแกว่งไปไซ้ายขวาแล้วมุกตุ่มนาฬิกาเดี๋ยวแกว่งไปทางยินดีเดี๋ยวแกว่งไปทางยินได้ถ้ามันอยู่องการเฉยๆดีกว่าจริงๆค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราอยู่กับหลายคนนะคะ<ม>ทั้งดื้อทั้งอะไรด้วยมันเหมือนกับเหมือนเราจะปีติไปปีติมาอะไรประมาณนี้อะค่ะ หนูก็ยังบอกว่าเออดีเนาะถ้าไม่มาเจอเ อ, อธรรมะเนี่ยสงสัยจะเป็นประสาทไปแล้วปั้งนึ่งหนูก็คิดอย่างหนึ่งหนูไปคิดกับพี่เป็นบ้าได้เป็นบ้าได้ใช่ค่ะเพราะว่างานก็กับเรางานบ้านงานโออะหัอาหา ร, าหารทุกอย่างก็เหมือนแบบวิ่งวนอย่างนี้ได้เร็วมากบางคนก็ถามว่าเอาทําอะไรได้เยอะมากไหนะจะดูแลตัวเองด้วยหนูบอกว่าหนูต้องดูแลตัวเองเพื่อที่จะดูแลคนอื่นต่อไป มันโยกขําำเหมือนกันค่ะจะพยายามทําให้ใจตัวเองอ่ะเหมือนกับว่าให้ว่างพอาจารย์เออเ อ, อยวางไปอ้าวโอเคอ่าทําไปก็ทําอือโอเคได้ยินไปว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดมันก็ไม่มีอะไรหนูก็ว่าอย่างเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีอะไรทีร่เห็นคนตายมาก็ไม่มีอะไรเพราะว่าน้องเขาบอกว่าขอบคุณคุณนิ้งที่บอกหนูว่า มันไม่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหนูก็คิดอย่างเงี้ยไม่ว่าจะสุขจะทุกข์แต่ว่าเราก็เลยรู้เลยว่าแต่โอ้โหกิเลสของคนหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดามันจะต้องฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์อืมอันนี้เนี่ยหนูก็ถือว่าขอกราบนะคะพระอาจารย์กับคำสั่งสอนหลายๆ เรื่องที่หนูได้ยินได้ฟังมาก็พยายามเอามาปฏิบัติให้มากที่สุดค่ะก็ทำให้เราหมดทุกน้อยลงค่ะพระอาจารย์ทำให้หมดทุกไปเลยนะหมดทุกหมดโศกไปเลยค่ะมีอะไรก็ขอชดใช้กรรมณตอนนี้อะไรหนูบอกย่างนี้ไอ้จบค่ะพอาจารย์ก็มีอะไรค่ะขอบพระคุณมักเสมอคุณปุ้ย นมาส ก, การเจ้าค่ะพระอาจารย์อ mm hmm. าจารย์ mm hmm. สบายดีไหมคะ mm hmm. สบายดีคุณปุ้ยก็สบายดีคุณปุ้ยจะมารายงานตัวกับพระอาจารย์ว่ายัางปฏิบัติเหมือนเดิมเธอสูงแปอ ม, มันก็เหมือนกับมีอะไรเข้ามาจะทําให้เราสะเทือนแต่ว่าโยมก็ไม่รู้ว่าโยมเป็นคนเย็นชาเหมือนอย่างที่เขาพูดหรือโยมไม่สะเทือนแล้ว คือคือคือลูกชายโยมอ่ะมันเหมือนกับโยมรู้สึกมาก่อนว่ามันจะมีการมีการสูญเสียใครสูญเสียแต่ว่าโยมบอกไม่ได้ว่ามันรู้ได้งไงและทีนี้ไอ้วันวันอาทิตย์อะ่ะวันเสาร์อ่ะโยมก็โทรโทรโทรโทรหาลูกชายโยมลูกชายโยมก็ไม่ได้รับแต่ทีนี้พอก่อนเที่ยงคืนลูกชายโยมก็โทรมาแล้วก็บอกว่าเ อ, อสามีเก่าของโยมอะ่ะเสียชีวิตแต่โยมก็ไม่ได้เสียใจนะพระอาจารย์ไม่ใช่ว่า เราสงน้ำหน้าเขาหรืออะไรในใจเนี่ยเราสงสารเขาเราก็เลยบอกว่าเออฉันขออโหสิกรรมให้เธอเขาเป็นฝรัง่งเราก็พูดภาษาฝรั่งอะแต่โยมก็ไม่รู้ทําถูกหรือเปล่าโยมเพราะว่าเขาก็ทําร้ายอะไรมาเยอะแยะอืกับพวกเราเราก็อโหสิกรรมแล้วก็ขอให้คือคือเราอุทิศบุญให้เขาอะพระอาจารย์เออโยมก็ไม่รู้ว่าโยมทําถูกหรือเปล่าแต่โยมไม่เสียใจโยมรู้สึก ที่เฉยีและรู้สึกว่าอ๋อตายหรอก็คือตายเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องเป็นวันของเราอะไรอย่างนี้คือเรามันไม่ได้เหมือนเกิดว่าเราไปสมน้ําหน้าเขานะพระอาจารย์อย่าเข้าใจโยมผิดโยมพูดออกอย่าใจจริงเลยว่ามันไม่รู้สึกมันไม่มันนิ่งแล้วมันแบบมันไม่รู้สึกร้องไห้มันไม่รู้สึกเสียใจมันไม่รู้สึกเศร้าอ่ะมันคือคือเราคูนคนเย็นชาเหรอพระอาจารย์ มันก็ไม่ได้เย็นชาหรอกมันวางเฉยมันก็เบกขาเพราะว่าทางนู้นเขาก็บอกปรัโยมว่าโยมเป็นคนเลือดเย็นเราเอาพูดไปตามภาษาเขาปล่อยเขาพูดไปเรารู้ตัวเรารู้ตัวเร า, าก็เราปฏิบัติเพื่อให้จาจเราไม่ทุกกับอะไรก็ถูกต้องแล้วนี่ใช่แต่ว่าโยมก็ให้ความเป็นกลางเพราะว่าโยมก็ขอบคุณเขา ถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีเอวันที่จะมาอยู่ตรงยนจิตนี้เราก็ขอบคุณแล้วก็เอเอ้โหศรีกรรมให้เขาแค่เนี้ยยมทําถูกไหมพระอาจารย์ถูกต้องแล้วถูกต้องใช่แล้วยมก็กวดน้ําอ่ะพระอาจารย์คือยมไม่รู้ได้รับไม่ได้รับแต่ว่ายมตั้งใจ ย, ยมก็เวลายมปฏิบัติธรรมยมก็กวดน้ําให้เขาอย่างเงี้ยพระอาจารย์ก็กดไป ไม่และยมเป็นคนกลัวผีพระอาจารย์ทีนี้เอ่อมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกๆคือคือว่าเอ่อเมื่อวันคือในวันอาทิตย์น่ะยมนอนอยู่และยมชอบฟังอฟังฟังพระประวัติพระหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่พระมาเทปและเอ่อมันเป็นเทปที่มยม ฟ, ฟังอยู่ประจาําทีนี้มันมีเสียงคนสะอื้นพระอาจารย์มันมีเสียงผู้ชายสะอื้นอย่างเงี้ย แล้วแบบเหมือนกับบอกแบบโยมอะเหมือนว่าเหมือนคนที่กําลังจะจมน้ําอะโยมก็ไปในน้ําแล้วโยมก็ตกประจยแต่โยมไม่ได้ดื่มตานะโยมกลัวบอกว่าถ้าโยมดืมตาหรือเกิดมันเฮมันมันอยู่ตรงหน้าโยมโยมจะทํายังไงวะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้โยมก็ได้ข่าวจากรูปโยมว่าเออเขาว่าจมน้ําตายแล้วมันเป็นเรื่องที่แปลกๆเพราะว่าโยมไม่ได้ว่าเห็นอะไรนะแต่โยมก็บอกว่าเออต่างคนต่างอยู่นะ เดี๋ยวฉันจะสร้างบุญสร้างบารมีให้เธอเธอก็ไปเธออะไรอย่างนี้อย่ามารบกวนฉันโยมก็พูดแค่นี้แหละอพระาจารย์ก็ดีแล้วเนี่ยก็ดีแล้วโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีพระอาจารย์โยมมันเนะเกือบจะปลูกหวยอะโอเคเราวงานะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว จะมาบอกกับพระอาจารย์ว่าโยมยังประพฤติปฏิบัติดีแล้วก็จะมากราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะโอเคขอให้ไม่แต่ความสุขความเจริญ น, นะขอขอให้พระอาจารย์ทาดแต่งแรงค่ะโอเคงวอหน้ารวยแน่ๆนะสงสัยนะอาจารย์ก็าธุสาธุๆๆทางไปที่คุณประนอมเซนตมออร์อริกัน แล้วมาสกันเจ้าค่ะอาจารย์รู้ไม่มีอะไรค่ะไม่มีค่ะอุบิตปฏิบัติวางเฉยแฮปปี้ยิ้มอยู่ข้างในใช่เจ้าค่ะยิ้มจนคนเขาว่าไม่รู้จักคิดอะไรหรอค่ะเป็นดวงตาคิดคนสิ้งคิดเจ้าเดยกเราเป็นคนสิ้งคิดใช่เจ้าค่ะทำงานก็มีความสุขค่ะเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วปฏิบัติ ตั้งแต่ตื่นจะหลับแม้แต่การทํางานก็เดินไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนมีสติอยู่กับตัวเจ้าค่ะหลวงพอ่อกราบขอพระคุณในความเมตตาในธรรมคาสั่งสอนเจาา้าค่ะหลวงพ่อต้องนําไปปฏิบัติอยู่อย่า ง, งามสม่ำเสมอเจ้าค่ะอ่าไปที่คุญชนันดาต่อกุญ น, นดาอยู่ทีไหนกรุงเทพหเลยอยู่เสีฉะรัชการเจ้าค่ะอยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์เพิ่กลับวันนี้ค่ะ อืค่ะก็ไปสีชาทุกอาทิตย์ตอนนี้ถ้าอยู่สีชาก็ได้ก็จะเริ่มภาวนาได้มากขึ้นอาจารย์ก็ฝืนกิเลสค่อยค่อยฝืนกิเลสค่ะอาจารย์ออืค่อยฝืนกิเลสไปเรื่อยๆค่ะอยู่คนเดียวใช่ไหมอยู่คนเดียวค่ะศีชาคนเดียวค่ะอืมเนี อยู่นคนเดียวมันอยู่วัานลยไเนค่ะค่ะเมื่อคืนเมื่อคืนนอนเันคืนเตียง ม, มันก็สั่นก็พอเสร็จเออห้องเรามันก็น่ากลัวเหมือนกันอยู่ดีๆความน่ากลัวก็มาหาทดสอบเขาสอบ <laughs> ก็เออก็ค่ะอาจารย์ก็คิดว่าเอออยู่อยู่อยู่คนเดียวก็เขา ก็มีอะไรมาทดสอบอยู่เรื่อยๆค่ะอาจารย์แล้วทําไงสอบตกก็แบบแล้วสอบผ่านเปิดไฟเปิดโคมไฟนอนค่ะอาจารย์แล้วก็สอบตกเลยแล้วก็ฝืนหลับถึงเช้าเลยค่ะอาจารย์อยาจะเปิดธรรมะไปเปิดโคมไฟแทนก็งงอะงงว่าอะไรเอ๊ะว่ารถไฟมันวิ่งผ่านเนาะ คันโดมันมันจะเขย่าได้ด้วยเหรออะไรเนี้ยก็งงอยู่เหมือนกันค่ะจารย์ไม่มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลมมันก็ปิ้วฟิวฟิวปิวไปปิ้วมาแบประตูเอ็นหน้าต่างมันบานใหญ่แล้วเป็นกระจกนะคะมันก็แบบมันก็มีความกระพืบบ้างอะไรบ้างเงี้ยค่ะมันก็หลากหลายดีอะไรเงี้ยค่ะมัไม่ได้ใจเรายังไม่ได้ขึ้นขาปกติไปทดสอบบนเขาอันเนี้ยมามาถึงห้องเลยอะมา ก็ไม่พิจารณาเป็นสายรากไปก็จบนะอล้นี่จังทุกขังนั้าตาเลยก็ได้มันก็ได้เป็นช่วงๆค่ะพระอาจารย์แต่บางทีแบบช่วงบางทีอยากนอนมันมันมันกําลังง่วงนอนมันอยากนอนบางทีบางทีลูกก็แบบเออวันนี้ขอไม่นั่งสมาธินะขอนอนเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วไอ้พวกนี้มันก็มากันเต็มเลยค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็มีแบบมีอาจจะเป็นเพราะว่าสติมันก็ไม่ มันต้องอยู่กับสติร้อยเปอร์เซนหนึ่งใช่ไหมคะพระอาจารย์อืมใช่ค่ะลูกก็เลยอันยศลงโทนในในฐานะที่เกียจตก็ได้ <laughs> อันนี้ลู ก, ก็ม า, มานะ ก, ก็สงสัยอยู่ค่ะพระอาจารย์ <laughs> <laughs> สงสัยอยู่คะ่ะก็ค่ะก็ลูกลูกก็ได้ได้คําของพระอาจารย์มาปล่อยวางนะคะลูกก็ได้ใช้ <Okay. S 1> ก็จะมีบางวันที่ที่ได้ ภาวนาเช้าเช้ า, ชาลุกขึ้นมาก็ภาวนาค่ะพระอาจารย์แล้วก็ได้ใช้คําที่พระอาจารย์ให้มาคําว่าปล่อยวางนะคะ้วได้ใช้ในในสภาวะตอนที่มันตอนนั้นนะคะตอนที่น่าจะเป็นกิกเลสละเอียดใช่ไหมคะพระอาจารย์ที่มันจะเป็นความคิดแอบแอบแอบแอ บ, แอ บ, แ, อบแอบเกิดเข้ามาในช่วงที่มันสงสบอืสลับไปสลับมาสลับมาสลับไปนะคะพระอาจารย์ ก็เดี๋ยวสงบเดี๋ยวคิดเดี๋ยวคิดเดี๋ยวสงบอยู่เนี้ยคะ่ะอาจารย์ใช่ไหมคะก็คอยหยุดมันก็แล้วกันค่ะอาจารย์แล้วแล้วมันก็จะมีที่รูปเรียนทั้งแล ว, ว่ามันมีจิเลตบางตัวที่แบบว่าลูคิดว่ารูท้ามได้อะไรเงี้ยคะ่ะแล้วรู้ ก, ก็แบบว่าอ่าอย่างเช่นอ่ะเรื่องเรื่องเรื่องมีแฟนอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์บางทีรู้ก็แบบเเรื่องเรื่องมีคู่ครองอะไรเงี้ยค่ะคิดทีลูกก็หวนนึกถึง <S <s หวนนึกถึงตอนที่แบบว่าเออมันก็มีความสุข แต่พอพอมันนั่งนึกให้กลับไปไหมมันก็ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์มันก็รู้ตัวมันไม่ได้<ม>แต่มันก็บางทีก็หวนนึกถึงแต่ให้กลับไปมันกลับไปได้คะ่ <arf> ะพระอาจารย์อืมค่ะก็ยังไม่ให้กลับไปต้องต้องนึกถึงว่ามันเป็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข<ห>์แล้วมันก็ไม่อยากจะกลับไปใช่ค่ะพระอาจารย์ก็จะเห็นว่า ม, ามีสุขอยู่บางกายัา ง, อ, ยางอาจจะรังในสงสัยอยู่ค่ะแต่พอพิจารณาละเอียดก็จะเห็น เห็นว่ามันก็มีทุกทุกครั้งนะค่ะพระอาจารย์มันก็เลยมันก็เลยไม่รู้จะกลับไปทําไรมันก็มันก็คงจะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะพระอาจารย์อยู่คนเดียวนี่กว่าบันิพย์นี่กว่าค่ะพระอาจารย์ค่ะแล้วลูกก็ก็รอวันบวชนะคะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวเคลียร์อะไรอะไรให้มันเสร็จเสร็จมันยังไม่จบอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเรื่องที่มันอยู่บน ตอนนี้มันจะมีเรื่องที่มันยังขุดรอะไรอยู่มันก็ยังอยู่ฟังนั้นอยู่มันยังไม่เคียนไม่จบก็รอยพวกเนี้ยให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่ะแล้วก็เรื่องธุระการงานอะไรเงี้ยค่ะหนี้สินอะไรเงี้ยค่ะให้มันเรียบร้อยค่ะคิดว่ารู้ประเจนเดี๋ยวมันก็จะตามเราไปถ้าเราไม่จัดการให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวมันก็ตามเราไปเองคาพาจารู้กันว่าจะเขียนให้มันเรียบร้อยให้จบให้หมดค่ะพาจาร์ โอเคค่ะค่ะอ่านตรงนี้ก่อนนะค่ะพระอจาจารย์ไปที่คุณแอนต่อคุณแอนตอนนี้อยู่ที่ไหนกลั บ, บหลวงพ่อค่ะวันนี้อยู่บ้านค่ะกลับมากรุงเทพค่ะอ๋อยังไม่ไปตั้งแต่ยังค่ะตั้งแต่ที่ไปกลับหลวงพ่อเมื่อเมื่อวันวันอาทิตย์ได้อใช่ค่ะยังไม่โดนเรียกบินค่ะวันนี้อวันนี้ไม่ได้มีคําถามค่ะก็มานั่งฟังเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ เห็นเห็นมานั่งฟังของเพื่อเพื่อนพี่ๆในนี้แล้วก็รู้สึกตัวเองยังหนทางอีกยาวไกลน่าดูเลยก็ลองนั่งนั่งแล้วก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเหมือนที่หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่านั่งได้นานแต่ก็มีประสิทธิภาพมไหมก็ไม่มีประสิทธิภาพค่ะยังยังยังรวมสติรวมสติแต่ว่ายังยังเข้าสมาธิไม่ได้พยายฝึกสติให้บ่อยขึ้นค่ะตอนนี้ก็ มีมีสติเพียงพอแค่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือเอาให้ตัวเองไม่ไม่โมโหโมโหยังโมโหวไวยอยู่ยังโมโหง่ายอยู่แต่ว่าเอาเอาลงได้เร็วขึ้นแล้วก็ปล่อยวางได้ได้เร็วขึ้นนะคะแต่ถามว่าหมดไหมก็ก็ไม่หมดแต่ว่าฟังธรรมะของหลวงพ่อก็เอาเอาตอนนี้เอาธรรมะแล้วก็อา่าลองเอาสติแค่ให้ให้ได้ในชีวิตประจําวันก่อนนะคะเพราะว่าพอพอลองไปนั่ง ไปนั่งแล้วเนี่ยก็อย่างที่ที่บอกค่ะว่ามันยังมันยังไม่มีประสิทธิภาพค่ะไม่เป็นไรก็เอาสติไปเรื่อยๆก่อนฝึกสติไ ป, ไปเรื่อยๆก่อนอ่าได้ค่ะก็เดี๋ยวปะเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็เลยคิดว่าอ่าไม่ได้คิดะคะ่ะคือคือจะไปปฏิบัติทำสามวันที่ที่วัดอะค่ะก็คือคือจองไวล้ละเพราะว่าคิดว่าอยากจะลองดูซิว่าถ้าทําเองคงคงอาจจะไม่ไม่ไม่เห็นผลอาจจะต้องลองไปอยู่วัดดู เผื่อจะเผื่อจะลดกิเลสได้ง่ายขึ้นแล้วก็ปฏิบัติได้ง่ายขึ้นดี๋ยวที่ว่ามัน ท, ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติค่ ะ, ะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวนู่จะลองไปปฏิบัติ ด, ดูตอนตอ น, ตอนปลายเดือนเนี้ยค่ะตอนนี้ก็ก็เอาเอาแค่ให้เอาสติในะแต่ละวันให้ให้รอดก่อนโอเคค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเณวลาสณีอยู่เมืองอะไรนะเยอรมนี เกวับวัรค่ะอยู่เยอรมันค่ะอยู่เมืองไรนะอยู่เดรสเดนค่ะท่านอาจารย์ค่ะวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์เฉยๆค่ะสิ่งที่ค้างคาใจได้ถามพระอาจารย์ไปหมดแล้วค่ะเป็นการส่วนตัวค่ะวันนี้ไม่เลยวันนี้ไม่เลยทํางานเลยวันนี้ทําค่ะแต่เลิกไว้ค่ะแล้วเข้ามายังเห็นว่ายังมีมิ팅กันอยู่เลยเลยรีบเข้าด้วยค่ะกันอย่างนี้ยินดีที่ได้พบปะกันอีก ค่ะไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนนะคะท่านพระอาจารย์ถึงไม่ได้เข้าบ่อยแต่ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะอืมท่าวที่แล้วมาเมืองไทยไม่ไใช่เหรอไที่มาพบกันที่ใช่ค่ะเพิ่งกลับมาประมาณเดือนนึงอะคะ่ะอืมกลับมาค่ะดีก็ปฏิบัติดีไปเรื que, เร่อยๆสงบจิตสงบไม่ทุกข์กับอะไรค่ะค่ะแต่จะไม่ค่อยได้นอนตอนกลางคืนเท่านั้นแหละคะ่ะเพราะว่ามันมันตื่นอยู่ตลอดนะคะมันค่ะ แต่ก็เริ่มชินค่ะโอเคค่ะขาดูจ้บาบันิี้มาตามขอบพระคุณค่ะคุณจ้าเชิญจ้าออริกอนพอดมันแบบนรมัสการค่ะพระอาจารย์ ม, มีอะไรไหมวันนี้อีหนูอ่พอดีเมื่อกี้ที่น้องคนหนึ่งพูดเรื่องวิดีโอท่านพุท ธ, ธาทาสอะค่ะนหนูก็ อ่าเริ่มมาเหมือนน้องเขาเลยค่ะหนูไปเจอวิดีโออันเดียวกันแล้วก็ตามที่ท่านสอนเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วที่หนูเจอวิดีโอนี้นะคะแล้วก็หนูก็สามารถทไดะแสงที่หนูเห็นของหนูมันทวนขวาแล้วตามที่ท่านสอนให้เปลี่ยนรูปใช่ไหมคะหนูก็พยายามทำให้มันทวนซ้ายแล้วก็หนูก็ทาไปจนทำได้แต่ว่าสุดท้ายหนูหยุดการทำประเภทมองแสงเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามัน เหมือนมันแบบมันไม่คงที่ค่ะแสงมันจะแบบชอบหายไปแล้วพอหายไปหนูเครียดหนูจะรู้สึกอยากให้มันกลับมาอะไรนยรคะแล้วก็พอดีหลังจากนั้นอีกสักประมาณสองสมปีถัดมาหนูก็มาเจ อ, พ, เ อ, อพี่สาวหนูแนะนำให้ดูช่องวิปัสสนาธรรมค่ะของคุณหมอวีแล้วนั่นก็คือที่ทำให้หนูเจอพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ก็สอนแค่ว่าให้ตามลมหรือไม่ก็ตามพุโทโธอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ อันนั้นคือหนูจําได้ว่าหนูเพิ่งฟังพระอาจารย์แค่ประมาณสองครั้งแล้วหนูก็ปฏิบัติตามแล้วมันเป็นความบังเอิญที่ทําให้หนูพบว่าจริงๆแล้วถ้าแค่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนแค่เรื่องตามอ า, อานาปานาสติมันผ่านเวทนาได้จริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะ mm hmm. ตั้งแต่นั้นมาหนูก็เลยทิ้งแสงแต่ว่าบางครั้งมันก็จะกลับมาอยู่แสงสําหรับหนูมันทําให้สงบแต่หนูรู้สึกว่ามันเหมือนดูหนังอะคะ่ะคือเหมือนมันสงบพอเราเพลอเราดูมันหมุน อแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่ได้เป็นสติแบบที่เป็นตัวจับอะ่ะเหมือนมันเพลินไปอะไรแต่ว่าหนูก็ไม่แน่ใจคือทีนี้้คําถามของหนูก็คือในตามเอความเห็นผ่าจารย์ถ้าแสงมันทําให้หนูสงบแต่ว่าเหมือนมันชอบหายไปอะไรอย่างเนี้ยค่ะมันหนูหนูสามารถที่จะอย่างน้อยใช้มันในตอนแรกเพื่อที่จะทําให้ความว้าวุ่นใน ช่วงระหว่างวันทำให้ตัวเองสงบลงก่อนได้ไหมคะแล้วหนูค่อยเริ่มพอมันหายไปแล้วหนูก็ค่อยจับลมแทนอะไรอย่างเนี้คได้ได้โอเคค่ะก็คืออะไรก็ได้ที่ทําให้จิตสงบก่อนแล้วก็สงบไปอืมดูลมก็้งแต่ต้นเลยได้ดูลมไปเลยก็ได้ค่ะปัญหาของการดูลมของหนูคือความคิดมันชอบแทรกอ่ะค่ะหนูมันไม่มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเวลาดูแสงมันเหมือนหนูดูหนังมันเพลินแล้วมันไม่มีความคิด อื่นมาแสแอรอะหนูจะดูแสงได้ไงหนูต้องเลกแสงขึ้นมาในใจเลยใช่ค่ะก็คือหนูก็คือพอหลับตาเสร็จปั๊บแล้วมันก็จะเป็นเหมือนความเป็นความแข่งแล้วมันก็จะเริ่มเป็นจุดอันเนี้ยค่ะที่มันจะโผล่ขึ้นมาแต่มันก็ไม่โผล่ทุกครั้งนะคะแต่ว่าระหว่าง เ, เหมือนขั้นตอนระหว่างการที่เพ่งพยายามทําให้มันเห็นนะ่ะอืมเหมือนเหมือนมันบังคับให้หนู เมือนเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบโฟกัสว่าจะต้องทําให้เห็นให้ได้แล้วมันก็เลยทําให้จิตหนูไม่ไปคิดอย่างอื่นนอกจากความอยากจะให้เห็นให้ได้เนี่ยนั้นอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่ามันสงบแต่ว่าถ้าตามลมคือหนูก็ตามลมแล้วหนูไม่เข้าใจว่าบางทำไมมันชอบหายไปทั้งๆ ท, ที่หนูก็ว่าหนูก็จับมันดีแล้วแต่จะพักนึ่งอยู่ๆมารู้ตัวอีกทีก็คือเรากําลังคิดอะไรก็ไม่รู้ อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดแบบหลงไปไกลนะคะแต่ว่าก็คือรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ความสงบของลมหรือว่าพุโทโธก็เหมือนกันค่ะคือลมกับพุโทโธสําหรับหนูอ่าให้ ส, สติเรายังไม่ต่อเ น, นื่องต้องฝึกสติมากๆระหว่างวันใช่ไหมคะก่อนอที่จะหลงใช่ใช่ค่ะมีมมสติแน่นระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอถึงระดับนั้นมันก็หายไป S <S ใจก็รใจก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่นี้ต่อทีนีถน้ถ้าในระหว่างถ้าในระหว่างวันหนูต้องทำงานแล้วหนูไม่สามารถที่จะ เ, เหมือนทำให้จิตสงบได้แล้วเรื่องงานทำให้วาวุ่นอย่างนี้ค่ะทีนี้ก่อนที่จะมานั่งถ้าหนูรู้ว่าพอนั่งแล้วมันจะไม่ค่อยสงบหนูควรจะเริ่มแบบอาจจะเริ่มด้วยเดินจงกรมอะไรนี้ก่อนใช่ไหมคะก็ะด้ก็ได้ก็ได้ หรือว่าสวดมนต์อะไรอย่างนี้ถูกได้สวดมนต์ไปก็ได้เพื่อนึงสติกรรมมาให้มีสติมากพอที่จะนั่งสมาธิต่อไปได้อืมเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอยู่ๆลงมือนั่งสมาธิเลยแล้วนั่งไม่สงบเรานั่งเราไม่รู้สึกสงบก็เหมือนไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะ่ะก็คือมันก็ไม่ไม่ช่วยอะไรมันก็ไม่ได้ผลแต่ก็ดีกว่าไม่ทำํำแต่ว่ามันถ้ายิ่งไม่ทํามันยิ่งยิ่งยิ่งไปกันใหญ่ โอเคค่ะแต่ก็ถ้าลองคิดว่าลองนึกถึงแสงได้ก็ลองใช้แสงดูก็ได้ค่ะแต่ถ้าถ้ามันไม่สงบอย่างน้อยเราก็สร้างวิริยะบาลมีไปก่อนแต่ก็คงไ<อ><า>ม่ดีไปก่อนมันต้องปฏิบัติไปเรื่อยบางทีก็บางทีก็ได้ผลดีบางทนก็ไม่ได้ผลดีมันก็ขึ้นอยู่กับสติของเราที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่นั่งแล้วให้มันติดเป็นในสายมันก็จะดีมันจะได้ไม่มีข้อในี่ยถ้าวันนี้ไม่นั่งในพรุ่งนี้มันก็จะไม่อยากจะนั่งต่ออีกก็ได้ใช่ค่ะเท่านี้ค่ะอาะจารย์ <S <S าสาธุค่ขะขอบพระคุณค่ะอาจารย์เอมาที่คุณแก้วเจอกคุณแก้วได้ยินไหมคุณแก้วเอ่อ รมามธมักการ์คร่ะพระอาจารย์ได้ยินเสียงแล้วนะคะอยู่ที่ไหนจ้าอยู่ครุงเทพค่ะพอดีเออมาปฏิบัติธรรมที่วัดปากแห่งหนึ่งทีนี้เออท่านสอนว่าให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมโดยให้คาโดยให้ให้ให้ให้ความหมายของรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าหรือถ้าเดินจงกรมก็รู้ว่าขากระทบพื้นเหมอมือแว่ง คือหลายจุดนะคะ่ะหันตาก็เห็น mm. ถ้าหูก็ได้ยินเสียงลมหายใจก็รู้ลิ้นก็รู้รสอะไรอะคะแบบว่าคือเหมือนรู้ทั้งหมดประมาณแปดอย่างเลยโดยที่บอกว่าจะต้องรู้ทั่วพร้อมกันทีนี้โยมปฏิบัติแล้วเนี่ยก็โยมก็รู้ได้ทีระยะ หมายถึงว่าคือรู้เท้ากระทบถ้าเดินจะรู้เท้ากระทบไว้ชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่สามารถรู้ได้หลายหอย่างพร้อมกันโยมเลยสับสนไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วการรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยคือคื อ, อยังไงเน่ยค่ะคือสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะคือมันควรจะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งก็พอแล้วตอนน้องการให้จิตเนิ่งจิตนวมไปรู้หลายอย่างมันก็วิ่งไปวิ่งมา เอาอย่างไหมใช่ดังนั้นเอาอย่างเดียวดีกว่าเอาเท้าเวลาเดินก็ดูที่เท้าสัมผัสกับกับดินนี่กเดินไปทับพื้นซ้ายขวาซ้ายขวาไปคือเป้าหมายของการฝึกสตินี้เพื่อไม่ให้เราไปไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ใช่แค่นั้นเองเราจะเลือกเราจะเลือกอะไรก็ได้เป็นอารมณ์จะใช้พุโทโธคําเลยการพุโทโธไปก็เดินใบกับพุทโธพุทโธไปก็ได้ใช่ อ, อืม หนึ่งแม่เราก็รู้อารมณ์ที่ชัดที่สุดคือรู้รู้รู้เท้าเคลื่อนไหวเนี่ยได้ดูเท้ากนะเออดูท้ากนะโยงก็เลยสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าหรือว่าถ้ามันเป็นไปได้เราก็จะลองพยายามฝึกแต่หรือว่าจริงๆแล้วจิตมันรับรู้ได้ทีละขณะได้ทีละเล่มใช่ไหมคะโยงก็จะได้ไม่สับสนแล้วก็คือโยงก็เลยใช้วิธีฝึกของโยงที่ที่ตามที่พระอาจารย์สอนว่าคือ ก็ให้เรามีอารมณ์กรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแหละจะเป็นอนาตานสติกหรือว่าเป็นเดินถ้าเราหลุดไปจากนี้คือไปคิดเนี่ยแหละมันชอบคิดอะ่ะเราก็รู้ให้มันกลับมาไวๆโอเคใช่ไหมคะให้มันคิดให้น้อยแต่ให้มันหยุดคิดหรือว่าให้มันคิดให้สั้นอืก็โยมก็จะได้ปฏิบัติตามนี้ไปแบบนะคะในเวลานั่งก็เปิดมาดูลหมหายใจแทนค่ะ <c oughs> <c oughs> ท่นี้เองไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นดูมากรู้มากหรอกทานั้นอาจจะเป็นขั้นวิปัสนาก็ได้ต่อไปจะต้องรู้ทุกอย่างแต่ตอนนี้เรายังไม่อยู่ที่วิปัสนาอืมเราอยู่ที่ขั้นฝึกสติฝึกสมาธิค่ะเพราะว่าโยมยังสติไม่ได้ว่าต่อเนื่องอันที่จะไปทําอย่างไรแต่ว่ารู้สึกพระท่านก็สอนเป็นลักษณะว่าเป็นวิปัสนาว่าจะเห็นเกิดดับอะไร เย่านนะคะท่านสอบท่านสอบอารมณ์ด้วยหนูก็เลยอืโยมก็เลยเออสงสัยอะค่ะอืค่ะขอบพระคุณค<อ>่ะเอาอารมณ์เดียวดีกว่านะอารมณ์เดียวอย่างใดอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้นั่งกายก็ได้ออโอเคเราไปทําลองไปปฏิบัตเดี๋แล้วมาเล่าไว้ฟังโอกาสหน้าก็ได้ ค่ะแต่ก็อย่าไปบอกว่าเราสอนให้ไปขัดกับเขานะอันนี้ก็เป็นเรื่องออเรื่องความสมบับ ใ, ใจอ่อาอย่าไปอ้างก็ไม่เดี๋ยวไปเถียงกับเขาไม่ได้เราสอนอย่างนีอ่งออแต่โยมจะบอกว่าโยมก็รู้รู้ได้ไม่อย่างที่ท่านให้ลิสต์มาเออคือรู้ได้ทีไรอะท่านก็บอกว่าเป็นเพราะโยมไปคิดก็เลย หรือว่าอะไรอ่ะไปแช่อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ก็เลยก็เลยไม่แน่ใจว่าทาถูกหรือทําผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่แต่พระอาจารย์อธิบายเขาพอเข้าใจแล้วว่าในขั้นนี้่เราฝึกเป็นให้ใจเป็นหนึ่งให้มันอยู่กับเรื่องให้ใจอ่ะให้ใจอยู่กับเรื่องเดียวก่อนอมันจะได้งดองบโอเค okay, นะ โ <Okay. S 1> อเคค่ะอ๋ะอสาธุไปที่คุณมาไดคุณามาเป็นคำถามไหวันนี้กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์มีหนึ่งคำถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะคําถามจากคุณธีรภูมิกลับนมัสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายของคําว่าธาตุสีไม่สูญครับคือเวลาผมพิจารณากายผมเข้าใจว่า เวลาตายดินน้ำลมไฟก็แยกออกเห็นว่าธาตุน้ำระเหยสูญไปและธาตุไฟก็ดับสูญไปผมจึงไม่เข้าใจว่าธาตุน้ำและธาตุไฟที่เคยอยู่ในกายไม่สูญอย่างไรครับมันก็ไปรวมกับธาตุไฟที่อื่นต่อไปมัน่็มันไม่สูญมันเพียงแต่ว่ามันมีจํานวนน้อยเราก็เลยมองไม่เห็นมันนะั่น แต่เนี่ยมันก็เป็นลมกับธาตุไฟที่มีอยู่ที่อื่นไฟมันก็ต่อไปหาไฟน้ำก็กลับไปหาน้ําลมก็กลับไปหาลมดินก็กลับไปหาดิ น, น, นไม่ต้องไปกังวลละนะถ้ามองไม่เห็นก็ให้รู้เฉยๆก็แล้วกันว่านน้าลมไฟเนี้มันไม่มีวันสูญสลายมป็นฐานหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคเวลาก็พอสมควรสำหรับวันนี้ ก็ขอให้ท่านจงนำเอาเสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิณิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ